จเจริญอรถูกท่านสบายดีไหม <c oughs> ถ้าไปถามครูบาอาจารย์นะไปเจอครูบาอาจารย์ไปถามท่านว่าสบายดีไห ม, ไมโดนดูนะ <c oughs> บอกถามแบบไม่มีสติไม่มีปัญญาต้องถามว่ายังทุกขพอทนได้ไหมนักปฏิบัตินะก็บางทีก็แปลกๆ วิธีมองโลกเขาไม่เหมือนชาวโลกเขามองบางเรื่องบางกรณีคนในโลกเขาสแสวงหาความสุขเราอยากรู้ทุกเราไม่ได้สแสวงหาความทุกนะคนในโลกนะสแสวงหาความสุขเราต้องการรู้จากทุกนะคนที่สแสวงหาความสุขนัอะไะได้ความทุกมาแค่อยากได้ความสุข มันก็เริ่มทุกข์แล้วรู้สึกแหมทุกครั้งที่ความอยากเกิดขึ้นในใจเราความทุกข์ก็เกิดทุกที่แหละอยากจะจีบสาวสักคนนะก็เริ่มทุกข์นะว่าจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จอนะไ่างเงไม่ว่าทําอะไรถ้าพอความอยากเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้น ค, คนทั้งหลายนะอยากมีความสุขงานสิ่งที่ได้มามันเลยกลายเป็นความทุกข์พระพุทธเจ้าสอนเราให้รู้จักทุกข์ รู้เลยความทุกข์มาจากความอยากถ้าเรารู้แจ่มแจ้งเลยแจค่อยหายอยากจะอยากทาไมอยากเราทุกข์แต่มันก็ยังอยากอยู่ตรับใดที่ยังล้างความเห็นผิดไม่ได้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นของดีของวิเศษตราบนั้นความอยากก็ยังเกิดได้อีกเป็นนการปฏิบัติเนี่ยในขั้นสุดยอดเลยมันจะมาอยู่ตรงที่เราสามารถรู้แจ้ง ว่ากายนี้ใจนี้นี่แหละคือตัวทุกข์ตราบใดที่เรายังไม่เห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ความอยากจะเกิดไปเรื่อยๆมันจะรู้สึกว่ากายนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างจิตนี้เป็นกสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างจะรู้สึกอยู่อย่างนี้มีสุขกับทุกข์อยู่ด้วยกันเมื่อกายนี้ยังมีทางเลือกที่จะมีความสุขมันจะดิ้นหาความสุขเมื่อจิตใจมีทางเลือกว่าจะมีความสุขได้ จิตใจก็จะดิ้นหาความสุขจะดิ้นหนีความทุกข์ไปด้จิตใจที่ดิ้นหนีความทุกข์ดิ้นหาความสุขนั่นแหละจิตใจนั่นแหละกําลังหลงอยู่ในความปรุงแต่งความปรุงแต่งมีสามรูปแบบใหญ่ๆปลุงชั่วคนที่ปลุงชั่วนะเขาอยากได้ความสุขหรืออยากได้ความทุกคนปลุงชั่วก็อยากได้ความสุขใช่ไหมอยากหนีความทุกข์เหมือนกันแต่สติปัญญาไม่พอ ก็เลยไปทำความชั่วไปปรุงความชั่วขึ้นมาคนทำชั่วก็อยากมีความสุขไม่ใช่คนทำชั่วอยากมีความทุกข์สติปัญญามากขึ้นก็ปรุงดีปรุงดีถามว่าปรุงดีนะรักสุขเกลียดทุกข์ไหมก็อย่างรักสุขเกลียดทุกข์อยู่อีกพวกหนึ่งความปรุงชนิดที่สามชื่ออเนชาพิสังขารปรุงว่างๆปรุงว่างๆ ถาว่าปรุงว่างๆ ม, มันก็รักสุขเกลียดทุกข์อีกแหละรู้สึกว่าว่างๆแล้วมีความสุขถ้าวุ่นวายขึ้นมามีความทุกข์ไม่อยากวุ่นวายวันๆไม่อยากคิดไม่อยากนึกไม่อยากปรุงไม่อยากแต่งอยากอยู่ว่างๆความปรุงแต่งทั้ง3มรูปแบบนี้เรียกว่าสังขารสังขารสมอย่างสังขารสามปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารอาเนญชาพิสังขารนนาขา ร, รากเง่ามาจากความไม่รู้คืออวิชชาอันเดียวกัน ไม่รู้แจ้งในกองทุก์นี้แหละงันเขาพวกเราชาวพุทธนะเราพยายามมาสร้างความรู้แจ้งในกองทุกให้เกิดขึ้นถ้าเรารู้แจ้งในกองทุกได้รู้อริยสัจได้ถ้ารู้แจ้งในกองทุกเราจะรู้อริยสัจรู้ทุกเมื่อไหร่ก็ละสมุทัยเมื่อนั้นละสมุทัยเมื่อไหร่ก็แจ้งนิโรธเมื่อนั้นแจ้งนิโรธเมื่อไหร่นะอริยมรรคก็เกิดเมื่อนั้นแล้แจ้งอริยสัจเนื้อก็คือมีสัมมาทิฏฐิ มีสมาทิฏฐิอาศัยเรามีสมาทิฏฐินี่แหละจิตึงข้ามภพค้ามชาติได้ข้ามทุกได้ดงั้นพวกเราจะต้องมาพัฒนาสมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นในใจของเราให้ได้ถ้าคนเขาถามเราว่าอะไรคือเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาพวกเราก็ต้องตอบให้ได้นะเสียงดังฟังชัดเลยสิ่งที่เป็นเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาคือสมาทิฏฐิไม่ใช่เรื่องอื่นเลย ลำพังรักษาศีลทำทานรักษาศีล น, นั่งสมาธิอะไรยังไม่ใช่เนื้อแท้ของพระพุทธศาสนามันเป็นสิ่งซึ่งนักปราชญ์ทั้งหลายเขารู้จักมาก่อนพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าเห็นว่าเป็นของดีนะทำทานมันก็ลดละความเห็นแก่ตัวนะรักษาศีลก็ต้องลดละความเห็นแก่ตัวนะทำสมาธิก็จะไปตามใจกิเลสไม่ไดนะ้ค่อยลดละกิเลสเป็นการข่มไว้ชั่วคราวก่อน ทำทานก็ข่มความตระหนีได้รักษาศีลก็ข่มความชั่วทางกายทางวาจาไว้ได้ทําสมาธิก็ข่มความชั่วทางจิตใจไว้ได้แค่ข่มไว้เท่านั้นเองไม่หายจะหายเนี่ยก็ต้องใช้หลักสูตรของพระพุทธเจ้านะสร้างปัญญาสร้างสมาธิิขึ้นมางั้นถ้าเราอย่างเรียนเข้ามาไม่ถึงเรื่องของสมาธิิความเห็นถูกเรายัางไกลจากพระพุทธเจ้าเราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าหรอกไม่ใช่ลูกพระพุทธเจ้าหรอก อย่างพระอริยบุคคล น, นะตั้งแต่พระโสดาขึ้นไปเนี่ยเวลาพระพุทธเจ้าท่านอ้างถึงพูดถึงนีน่บางทีท่านบอกนี่ลูกของท่านอย่างนางวิสาขาเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกเป็นลูกของท่านทำไมท่านบอกเป็นลูกของท่านนะเพราะว่าเป็นพระโสดาบันไม่ใช่เพราะรวยนะรวยรวยไม่เป็นลูกของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่เพราะใหญ่เป็นลูกของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ถ้าเข้าใจธรรมะเข้าใจธรรมะมีสมาทิฐิ ก็จะเป็นลูกของพระพุทธเจ้าลูกของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่จํากัดพวกเราทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นลูกของพระพุทธเจ้าได้ทุกๆคนเลยเท่าเทียมกันพระการุณาของท่านกว้างใหญ่ไพศาลไม่เลือกเขาเลือกเราถ้าคนไหนเชื่อท่านก็ลงมือปฏิบัติตามที่ท่านสอนก็จะเกิดสมาธิฏฐิขึ้นมาพอได้สมาธิฏฐิขึ้นมาแล้วก็เป็นลูกของท่านนะ เราจะเป็นลูกมีพ่อมีแม่นะอย่างในชีวิตของเราทุกวันนี้ที่เราเกิดมาเป็นตัวคนเนี้ยเรามีพ่อมีแม่พ่อแม่เราเป็นมนุษย์พ่อแม่เราอยู่ไม่นานนะก็ตายจากไปคนไหนพ่อแม่ตายแล้วบ้างมีไมมตายคนหนึ่งสองคนก็ได้มีไหมไมตอนนี้กลายเป็นว่าเราไม่มีพ่อมีแม่แต่ถ้าเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ตายนะพระเจ้าท่านพ้นจาก ความเกิดแก่เจ็บตายไปแล้วเราไม่เคยขาดพ่อขาดแม่เราไม่ใช่ลูกกำลร้ายอีกต่อไปถ้าเราตั้งอกตั้งใจภาวนานะวันหนึ่งเราจะพบเลยเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้ายัางดำรงพระชนอยู่ท่านก็จะรับรองให้ว่าเราก็เป็นลูกของท่านเพราะเรามีสัมมาทิฏฐิงั้นสิ่งที่พวกเราจะต้องฝึกให้ได้นะคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูก เห็นถูกในเรื่องอะไรบ้างนะเห็นถูกในเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเห็นถูกในเรื่องของรูปนามในอดีตในอนาคตนะรูปนามทั้งอดีตทั้งอนาคตเห็นถูกในเรื่องของปฏิจจสมุรปรบาทก็มีความเห็นถูกมีวิชานะแต่ว่าฟังแล้วเหมือนมากนะเอาอันเดียวก็พอถ้าเมื่อไหร่รู้ทุกแจมแจ้งนะก็จะรู้อันอื่นไปเองสิ่งที่เรียกว่าทุก ไม่ใช่ตัวความทุกข์ความทุกข์มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของความทุกข์เช่นเดียวกับความสุขก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวทุกข์นั่นเองสิ่งเรียกสิ่งที่เรียกว่าทุกขนะ์ในมุมมองของพระอริยเจ้าก็คือรูปกับ น, นามกายกับใจของเรานี่เองเพราะฉะนั้นท่านเลยไม่ถามกันนะว่าสบายดีหรือถามว่าสบายดีหรือนี่จะไม่เห็นความจริงของรูปของนาม ต้องถามว่ามันยังทุกพอทนได้ไหมธาตุขันจะแตกหรื อ, อยังนะถ้าทนไม่ไหวธาตุขันก็แตกตายไปธนะาตุขันมันตายท่านไม่ตายด้วยนะี่เรามาเรียนให้เห็นความจริงของรูปของนามจนเห็นนั่นจะเป็นตัวทุกข์นะถ้าเห็นตัวนี้ได้เราก็เราจะรู้จักพระพุทธเจ้าเราจะเป็นลูกมีพ่อมีแม่พ่อเราจะไม่ตายขาที่เหมือนพ่อในชีวิตนี้แม่ในชีวิตนี้หรอ ถ้เรามาฝึกพระพุทธเจ้าสอนวิธีการไว้แล้วว่าทํำยังไงสัมมาทิฏฐิจะเกิดสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นที่ถูกต้องเราจะเห็นถูกต้องได้เราต้องเห็นตามความเป็นจริงแม้ง่ายๆหลักง่ายๆนี่เองธรรมะของท่านงดงามเรียบง่ายตรงไปตรงมาเราจะเห็นถูกนะถ้าเราไปดูว่าของจริงเป็นยังไงเพราะเราต้องมาเรียนของจริงคือกายนี้จริงๆเป็นยังไงจิตใจนี้จริงๆเป็นยังไงเราจะมาดูตรงนี้ ดูกายจริงๆเป็นยังไงจิตใจจริงๆเป็นยังไงกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี i คือความจริงของกายของใจถ้าเราเห็นความจริงซ้าแล้วซ้ออํำอีกในที่สุดจิตก็ยอมรับความจริงจิตก็รู้ความจริงจิตเข้าถึงความจริงคือตัวสัมมาจิตฐิถ้าเรารู้ความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์เมื่อไหร่นะจิตจะปล่อยวางกายวัดปล่อยวางใจไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจกายกับใจก็เป็นทุกข์ของมันต่อไปนะแต่จิต ซึ่งปล่อยวางกายวางใจไปแล้วไม่ทุกข์ด้วยแล้วจิตไม่มีภาระไม่มีเครื่องจิมแทงนะถ้ายังปล่อยไม่ได้ก็ยังมีเครื่องทิมแทงยังมีภาระท่านสอนตรงๆเลยว่าขันห้าคือกายกับใจเรานี่เองขันห้านะเป็นภาระคนทั้งหลายต้องแบกภาระอยู่เนี่ยคนทั้งหลายไม่พ้นจากทุกข์พระอริยะเจ้าคือพระอรหันต์วางของหนักลงแล้ววางภาระลงแล้วคือวางขันห้าลงแล้วฉันไม่ยึดถือนั่นเอง แล้ท่านไม่ไปหยิบเวยอย่างอื่นขึ้นมาอีกนะบางทีวางขันห้าแล้วก็ยังหยิบขันห้าได้อีกนะอย่างพวกเราถ้าวางด้วยสมัครทีนะีมันจะวางเป็นคราวๆแต่ถ้าวางเพราะปัญญาสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะวางแล้ววางเลยวางแล้วไม่หยิบอีกท่านบอกว่าพระอริยะเจ้าทั้งหลายนะีวางขันห้าไปแล้วนะเป็นภาระท่านบอกขันห้าเป็นภาระเป็นของหนักพระอริยะเจ้าคือพระอรหันเนี่ยวางของหนักลงแล้วแล้วไม่หยิบเวยขึ้นมาอีกท่านก็พ้นจากทุกข์ทั้งปวง ตามใดที่เรายังไม่ปล่อยวางความยึดถือในกายในใจเราไปหยิบเอากายในใจเอามาเป็นตัวเราของเรานะความทุกข์ก็ยังมีอยู่ตราบนั้นทํายังไงจิตจะปล่อยไม่ยึดกายยึดใจได้ Stick. ถ้าจิตเห็นความจริงของกายของใจได้จิตจะไม่ยึดกายยึดใจทุกวันนี้เราไม่เห็นความจริงของกายของใจกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเราไม่เคยเห็นเราก็เลยรักกายจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเราไม่เคยเห็นเราก็เลยรักจิต ถ้าเมื่อไรเราเห็นความจริงของกายเราเห็นความจริงของใจเราจะไม่รักมันเราจะไม่ยึดถือมันท่านถึงสอนบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคลายกำหนัดก็คือคลายความรักใครผ้ผูกพันนั่นเองเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นหลุดพ้นเป็นยังไงหลุดพ้นก็คือจิตมันไม่ไปยึดถือเอากายเอาใจขึ้นมาอีก พลุดพ้นแล้วท่านก็รู้หลุดพ้นแล้วคล้ายๆเคยแบบของหนังอยู่แล้วสลัดทิ้งได้ท่านก็รู้ถึงความเป็นอิสระที่เกิดขึ้นนะงั้นพวกเรามาค่อยๆเรียนไปทํายังไงเราจะเห็นความจริงของกายของใจได้วิธีการปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจนี่แหละที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานปัตสนาแปลว่าการเห็นวิแปลว่าแจ้งมิปัสสนาก็คือการเห็นแจ้งในความเป็นจริงของกายของใจของรูปของนาม เราจะเห็นแจ้งความจริงในกายในใจได้นะใจของเราจะต้องไม่มีอคติถ้าใจเรายังมีอคติอยู่เราไปเห็นอะไรนะก็จะมีการให้ค่าว่าไอ้ น, นี่ดีไอ้ น, นี่ไม่ดีใจที่จะเห็นอะไรตรงความเป็นจริงเป็นใจที่ซื่อซื่อซื่อตรงไม่มีอคติไม่มีไบเอชนั้นเราต้องมาฝึกใจพัฒนาใจให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ซื่อสัตย์ไม่ใช่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้มีอคติ งั้นการที่เราจะมาฝึกพัฒนาจิตใจของเราจนกระทั่งเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้<ม>นะเกิดสัมมาทิฏฐิได้นะจุดตั้งต้นเลยเราต้องมาพัฒนาจิตให้มีคุณภาพเสียก่อนนะตรงนี้แหละที่ว่าทำไมจะต้องมีการเรียนเรื่องจิตความจริงยังมีอีกบทเรียนหนึ่งนะคือก่อนที่จะมาพัฒนาจิตเนี่ยต้องรักษาศีลก่อนต้องตั้งใจรักษาศีลก่อนพอศีลห้าก็พอ ไม่ต้องศีล8ปดศีลสิ 8, สอะไรหรอกเอาศีลห้านี้แหละเหลือเฟือแล้วที่จะบรรลุพระโสดาสกถาคาอะไรได้ถ้าจะศีล8ศีลอะไรนี่มันก็เอื้ออมหน่วยที่จะบรรลุธรรมะขั้นสูงขึ้นไปอีกถ้าพวกเรายังไม่ได้พระโสดานะเอาศีลห้าให้รอดก็บุญ น, นักหนาละนะศีลห้านี่แหละสาคัญมากบางคนรักษาศีลยากเนะีเพราะคอยควบคุมตัวเองไม่ให้ด่าเขาไม่ให้ทําร้ายเขานะเจอยุงยุงกัดสะตกอัตโนมัตินะ จะมาฝึกไม่ให้ตกนี่ยากนะถ้าเรารักษาศีลจะรักษาให้ดีต้องมีสติรักษาจิตคนทําผิดศีลเพราะว่ากิเลสครอบงําจิตได้นะนี่เป็นบทเรียนที่1 น, นะเรามีสติคอยรักษาจิตเรากิเลสอะไรเกิดเราคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดรู้ทันเราจะได้ศีลขึ้นมาบทเรียนที่2เราจะมาเรียนพัฒนาจิตให้พร้อมสําหรับการเจริญปัญญาจิตใจของเราเนี่ยหลงไปคิดทั้งวัน ลืมตัวเองทั้งวันเวลาลงมือปฏิบัตินะก็ไปเพ่งเอาไว้นั้นสิ่งที่ผิดนะทำให้เราเจริญปัญญาไม่ได้จริงเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงไม่ได้เนี่ยมี2 อ, อย่า ง, อ, งอันหนึง่งใจลอยไปใจหลงไปวันหนึ่งวันหนึ่งใจลอยนับไม่ถ้วนใจที่รู้สึกตัวมีน้อยตรงที่ใจลอยไปเราไม่สามารถเห็นกายเห็นใจของตัวเองได้มันลืมมีร่างกายมันก็ลืมมีจิตใจมันก็ลืมนะตรงที่เราไปเพ่งกายเพ่งใจนักปฏิบัตินี่แหละจะเพ่งกายเพ่งใจ คนทั่วๆไปใจลอยนะใจลอยอย่างเดียวคนที่ไม่เคยฝึกธรรมะเลยใจลอยอย่างเดียวคนที่เริ่มฝึกธรรมะแล้วนะจะมี3อย่างจาก1ขึ้นเป็น3เลยนั่นก็คือใจลอยไปแล้วก็รู้ว่าใจลอยพอ ร, รู้ว่าใจลอยเราก็เพ่งเอาไว้การเพ่งนั้นกลับข้างกับใจลอยใจลอยนั้นจิตนี้ตามกิเลสไปเพ่งเนี่ยคอยบังคับตัวเองไม่ให้เผลอไม่ให้หลงไม่ให้ตามกิเลสไปนะมันจะหนักมันจะแน่นมันจะแข็งมันจะซึมมันจะทื่อ ถ้าเมื่อไรเผลอไปเราจะลืมกายลืมใจไม่เห็นกายเห็นใจงั้นไม่มีโอกาสที่จะเห็นความจริงของกายของใจได้เลยเพราะกายกับใจหายไปแล้วถ้าเพ่งไว้นะเราจะไม่เห็นความจริงของกายของใจเห็นกายเห็นใจแต่จะไม่เห็นความจริงอย่างเราดูท้องพองยุบนะเราเห็นท้องพองเราเห็นท้องยุบถ้าจิตเราไปเกาะนิ่งอยู่ที่ท้องเนี่ยเราจะไม่เห็นความจริงแต่ถ้าจิตเราไม่ไม่ไปเพ่งนิ่งนิ่งอยู่จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ มันจะเห็นร่างกายนั่นทํางานอย่างที่ร่างกายมันเป็นเห็นจิตใจทํางานอย่างที่จิตใจมันเป็นงั้นเราต้องมาพัฒนาจิตตัวนี้ให้ได้สะก่อนะเมื่อ20่กว่าปีก่อนนะหายากมากเลยที่คนคนหนึ่งนะจะมีจิตที่พร้อมสําหรับการเจริญปัญญาหายากมากเลยและ0ี่ปีก่อนเนะี้ยไปที่ไหนที่ไหนมีแต่คนนั่งสมาธิแล้วเคลิมเคลิมนั่งสมาธิแล้วก็สงบหรือนั่งสมาธิแล้วก็ออกนอก เที่ยวเห็นนรกเห็นสวรรค์หลวงพ่อก็นั่งนะตั้งแต่เจ็ดขวบนั่งไปเที่ยวสวรรค์เที่ยวอะไรแต่นรกไม่ไปกลัวผนะีลืมไปว่าเทวดาก็เป็นผีนะคนโบ ร, ราณเรียกเทวดาว่าผีเหมือนกันผีฟ้าอนะไรเงีนะ้ยเนี่ยสมาธิอย่างนั้นนะก่อนมีคนเดินเล่นเนี่ยสมาธิอย่างนั้นหรือไม่ก็สงบนิ่งเฉยๆไม่เดินปัญญาสงบอย่างเดียวสมาธิชนิดนั้นนะไม่เกื้อกูลกับการทํามิปัสสนามันมีสมาธิอีกชนิดหนึ่ง สมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสมาธิชนิดนี้สําคัญที่สุดเลยถ้าเราไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจะมีแต่จิตที่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งอันนี้ไม่มีสมาธิเลยกับมีจิตที่เป็นผู้เพ่งแันนี้เป็นสมาธิที่เพ่งๆไม่ค่อยจะดีเป็นสมาธินิ่งๆงั้นสมาธิเลยมีสองอันเราต้องมาฝึกสมาธิชนิดที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างพวกเราที่เรียนกับหลวงพ่อแล้หลวงพ่อเมื่อก่อนนะ สักห้ 5, ปีสิปีก่อนหลวงพ่อจะชมโอ้คนนี้ตื่นขึ้นมาละตื่นขึ้นมาก็คือมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ า, บานนะันมีจิตตั้งมัน่นมีจิตที่พร้อมสําหรับการเจริญปัญญาแต่ก่อนคนไหนหลวงพ่อชมว่าตื่นแล้วตื่นแล้วนะเพื่อนก็ตั้งให้เป็นพระโสดาเลยนี่หลวงพ่อพูดว่าคนนี้ตื่นครั้งที่หนึ่งได้โสดาเนี่ยอีกวันหนึ่งหลวงพ่อมาเจออีกโอ้ตื่นแล้วนี่อะไร น, นี้นี่ได้สักาคานะ แล้วก็เสร็จแล้วก็ชมครั้งที่สามได้พระอนาคาชมครั้งที่4ี่ก็เป็นพระอรหันต์ชมครั้งที่ห้าอันนีนะ้ไม่รู้จะเป็นอะไรความจริงไม่ได้เป็นอะไรจริตที่รู้ตัวจิตที่ตื่นจิตที่หลุดออกจากโลกของความคิดเนี่ยเป็นแค่จุดตั้งต้นสำหรับการทำวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นเองเพราะั้นทุกวันนี้พวกเราเนี่ยจิตตื่นขึ้นมาเนี่ยนับจำนวนไม่ถ้วนเยพวกเรารู้สึกตัวไหมจิตเราไม่เหมือนเดิม จิตแต่ก่อนของพวกเรานะีมันจะหลงไปคิดทั้งวันนะเดี๋ยวนี้จิตมันไหลไปคิดเราก็รู้ทันจิตมันโลภมันโกรธมันหลงเราก็ค่อยรู้ทันทุกคราวที่เรารู้ทันสภาวะตามความเป็นจริงจิตมันจะตื่นขึ้นอัตโนมัติยังโกรธอยู่รู้ว่าโกรธนะรู้อย่างเป็นกลา ง, างจริงๆนะจิตก็ตื่นได้นี่ปกติเราไม่ได้โกรธปกติเรายัางไม่ได้โลภแต่ปกติของพวกเราทุกคนก็คือใจลอยจิตของเราชอบหนีไปคิดหลวงพ่ถึงชอบสอนนะว่า ถ้าจิตนี้ไปคิดเรารู้ทันถ้าจิตนี้ไปคิดเรารู้ทันนจิตจะตื่นขึ้นมาจิตตื่นก็คือจิตมีสมาธินั่นเองเป็นสมาธิที่ถูกต้องเรียกว่าลักข ณ, ณ, ณูปนิชฌานจิตปกติหนี้ไปคิดเรื่อยๆฟุ้งไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนั้นมันส่งออกนอกเวลาไปดูรูปเราก็ถลำลงไปดูเพลินไปดูลืมกายลืมใจตัวเองเวลาได้ยินเสียงนัก็ถลำไปฟังเสียงลืมกายลืมใจตัวเองเวลาคิดก็ถลำไป รู้เรื่องราวที่คิดลืมกายลืมใจตัวเองถ้าเมื่อไรเรารู้ว่าจิตมันเคลื่อนไปการที่จิตเคลื่อนไปทางตาเคลื่อนไปทางหูเคลื่อนไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางใจก็เคลื่อนไปคิดเคลื่อนไปปฏิบัติไปเพ่งจิตที่เคลื่อนไปก็คือจิตฟุ้งซ่านจิตมีอุททัดจะเป็นจิตมีโมหะนะจิตที่เคลื่อนไปพอจิตมันเคลื่อนไปเรารู้ทันเนี่ยสติเกิดขึ้นเมื่อไหร่อกุศลจะดับเพื่อน้นนี่เป็นกฎของธรรมะ ถ้าสติเกิดเมืนะ่อไหร่นะอาคุศนจะดับทันทีเพราะฉะนั้นการที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตที่เคลื่อนนั้นจะดับทันทีมันจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาแทนนันเป็นวิธีที่จะเราจะสร้างสมาธิให้กับตัวเองได้อย่างง่ายดายที่สุดเลยถ้าคนไหนเข้าชานไม่เป็นไม่ต้องเสียวเสียใจแค่เรารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดเท่านั้นเองนะจิตก็จะตื่นตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ตั้งได้ขณะแวบเดียว แวบเดียวมันจะหนีไปคิดใหม่พอมันคิดใหม่เรารู้สึกใหมว่าโอ๋ไหลไปคิดอีกแล้วไม่ห้ามนะไม่ใช่ว่าห้ามคิดนะบางคนปฏิบัติกรรมฐานจะบังคับจิตไม่ให้คิดถ้างั้นเราอธิษฐานนะขอเกิดเป็นต่อไม้เกิดเป็นก้อนหินจะได้ไม่ต้องคิดไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระอรหันยังคิดเลยไม่ใช่ไม่คิดพระพุทธเจ้าเขาคิดไม่ใช่ไม่คิดนี่จิตมันคิดมันฟุ้งไปเรารู้ทันปุ๊บนะมันจะตื่น มันจะหลุดออกอย่างโลกของความคิดไม่ยากไม่ยากทุกวันนี้คนที่ภาวนาแล้วตื่นขึ้นมาได้นับจํานวนไม่ถูกเลยหลวงพ่อไปตามต่างจังหวัดนะมีงานนิมนต์เยอะมากเลยทุกวันนี้บางอาทิตย์นะ่ยอยู่วัดสองวันวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไปต่างจังหวัดไปที่โน้นที่นี่ในกรุงเทพอะไรก็ไปทั่วไปก็เจอคนมาส่งกันบ้านมาเรียน เขาเขาสารภาพเลยว่าจิตเขาเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เขาตื่นแล้วเขารู้เองนะว่เาเขาตื่นแล้วลูกเล็กเด็กแดงอะไรมภาวนาดีๆยแยกๆไปหมดเลยเพราะงั้นถ้ามาถึงวันนี้แค่จิตตื่นเนี่ยล้าสมัยนะเฉยต้องเจริญกว่านั้นอีกเพราะจิตตื่นแล้วนา ง, งานต่อไปที่เราต้องทําก็คือหัดแยกขันให้เป็นการแยกธาตแยกขันเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นนะเราเริ่มเดินปัญญาแนละ้ ตรงที่จิตตื่นขึ้นมานี่แหละเป็นจุดสตาร์ทถัดจากนั้นเริ่มเดินปัญญาวิธีเดินปัญญาไม่ยากอะไรเคยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทก็าหายใจต่อไปเคยดูท้องพองยุบก็ดูต่อไปแต่เปลี่ยนวิธีดูดูด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะมันจะเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเห็นร่างกายพองยุบใจเป็นคนดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูมันจะมีใจเป็นคนดู ใจเป็นคนดูนี่แหละได้มาจากการที่เราฝึกจิตจนกระทั่งมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้ดูนะอย่างบางคนฟังหลวงพ่อตอนนี้เป็นคนมาใหม่ๆไม่เคยมาฟังแล้วงงงงแล้วง่ายทํำยังไงดีงงเรารู้ว่ากําลังงงอยูนะ่ถ้าเรารู้ว่าจิตกําลังงงอยู่นะเราเป็นคนดูเราจะเห็นได้ความงงกับจิตเป็นคนละอันกันนะถ้าดูตัวนี้ยากก็ไม่เป็นไรรอให้โมโห ก, ก่อนเวลาโกรธขึ้นมานะเราดูไปเลยความโกรธเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า หากอย่างนี้ก็ได้บางคนแยกแยกจิตกับกายนะบางคนแยกจิตกับเจตสิกเจตสิกคือธรรมชาติที่เกิดร่วมกับจิตเช่นความสุขความทุกข์นะถ้าเราเห็นว่าความสุขกับจิตเป็นคนละอานกันเนี้ยขันแยกแล้วนะถ้าเราเห็นว่ากิเลสกับจิตเป็นโคนละอันกันเนี้ยขันแยกแล้วบางคนบอกว่าดูไม่ออกว่าขันแยกหรือไม่แยกนะแยกแล้วมันน่าจะร่างจิตมันออกจากร่างไปอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ใช่ไอ้นั่นแยกแบบไม่เอาไหนแล้ว แยกมันแยกในความรู้สึกเท่านั้นเองมันเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูอย่างย ah, ิ้มพวกเราทุกคนยิ้มลองยิ้มนะทุกคนยิ้มรู้สึกไหมร่างกายยิ้มเนี่ยยิ้มพยักหน้าสิเมื่อกี้พยักหน้ารู้สึกไหมร่างกายพยักหน้าเห็นไหมร่างกายพยักหน้าจิตเป็นคนดูอยู่นีค่อยๆรู้สึกไปนะร่างกายขยับจิตเป็นคนดูร่างกายยิ้มเนี่ยนั่งยิ้มอยู่คนเดียวนะไม่ต้องให้คนอื่นเห็นนะนั่งยิ้ม ยิ้มเราเห็นร่างกายมันยิ้มใจเราเป็นคนดูเนี่ยฝึกแค่นี้ก็ได้นะเห็นจะยากเย็นอะไรกรร ม, มาฐานนะเนี่ยฝึกไปร่างกายพยักหน้าเนี่ยฟังหลวงพ่อแล้วเข้าใจพยักหน้าบางคนเห็นเพื่อนพยักก็พยักตามกลัวว่าเดี๋ยวจะเขาว่าโง่อะไรอย่างเงี้ยนะร่างกายหัวเราะเห็นไหมร่างกายหัวเราะเนี่ยดูไปร่างกายมันหัวเราะใจเราเป็นคนรู้ถ้าเราเห็นร่างกายหัวเราะใจเป็นคนรู้ร่างกายหายใจอยู่ใจเป็นคนรู้ร่างกายนั่งอยู่ใจเป็นคนรู้ ร่างกายยิ้มอยู่ใจเป็นคนรู้นี่ก็หัดแยกแล้วนะเริ่มแยกขันละกายกับใจเป็นคนละอันกันยุดรูปกระนา m นี่เป็นคนละอันกันต่อไปเราก็ค่อยๆสังเกตไปนะกายมันก็ทํางานของมันนะจิตมันก็ทํางานของมันนะร่างกายเคลื่อนไหวเพราะอะไรร่างกายยืนได้เพราะอะไรร่างกายทำไมร่างกายถึงยืนทําไมมันนั่งทําไมมันนอนเพราะจิตมันสั่งนะร่างกายเคลื่อนไหวนะเพราะจิตมันสั่ง อ้าวต่อไปนี้ยิ้มเดี <c> ๋ย <oughs> แค่หลงพ้อพูดเนี่ยจิตมันขำใช่ไหมจิตมันขำมัน บ, บลร่างกายมันยิ้มเลยเพราะจิตมันเปลี่ยนร่างกายมันก็เปลี่ยนนะแล้วทำไมจิตมันเปลี่ยนจิตมันเปลี่ยนเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์จิตมันก็เปลี่ยนเวลาเราเดินเดินไปเราเห็นคนที่เราชอบเพื่อนรักของเราจิตเราเปลี่ยนไหมเห็นเพื่อนรักเดินไปเราเห็นหมาบ้าวิ่งมาจิตเปลี่ยนหม สดชื่นมาบ้ามาแล้วสดชื่นจิตเปลี่ยนคงไม่เป็นเงี้ยนเนาะอนั้นบ้ายิ่งกว่าหมาอีกเห็นหมาบ้าวิ่งมาจิตมันเปลี่ยนอจิตมันกลัวเนี่ยเราเห็นเลยจิตมันกลัวนะเราเป็นแค่คนดูแค่เป็นผู้เห็นเท่านั้นเองเนี่ยหัดดูไปะเห็นดอกไม้สวยงามจิตมีความสุขนะอากาศสบายอากาศร้อนๆลมพัดมาเย็นๆจิตมีความสุขขึ้นมารู้ว่าจิตมีความสุขเห็นเลยความสุขเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาจิตเป็นคนดูอยู่ นี่เราหัดทของเราไปด้วยหัดเห็นกายเป็นของถูกรู้ถูกดูหัดเห็นความรู้สึกนึกคิดภายในนี่เป็นของถูกรู้ถูกดูไปด้วยหัดรู้หัดดูนะหัดแยกธาตุแยกขันไปเรื่อยสุดท้ายเราจะแยกได้ร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความรู้สึกสุขทุกข์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งจิตก็เป็นอีกส่วนหนึ่งความปรุงดีปรุงชั่วเป็นอีกส่วนหนึ่งที่รแยกว่าขันห้าขันห้าบางคนได้ยินคําว่าขันห้าแล้วกลัวอย่าไปกลัวคําว่าขันนะแปลภาษาไทยเพราว่า เป็นกองเป็นหมวดเป็นกองนะเหมือนกองกองกลางกองธุรการนะกองการเจ้าหน้าที่อะไรเนี้ยนะแต่ละกองแต่ละกองสิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราสมมติว่าตัวเราเป็นหนึ่งกลมนะมี5้ากองกลมเนี้ยมี5้ากองของเราบางคนก็กลมเล็กบางคนก็กลมใหญ่รนะดับหลงพ่อกลมใหญ่ไหมของบางคนก็หอมมากกลมเล็กหน่อยแต่ก็แบ่งเป็น5้ากองนะกองที่1คือร่างกาย ตัรูปร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนะถ้าจิตเราตั้งมั่นเราจะเห็นร่างกายมันอยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอย่างเรานั่งไปนานๆมันเมื่อยนะเราค่อยดูตอนเมื่อยอย่าเพิ่งเปลี่ยนอิธิยาบทพอมันเมื่อยขึ้นมานะดูลงไปเออแต่เดิมร่างกายไม่เมื่อยตอนนี้ความเมื่อยเกิดขึ้นเราจะเห็นเลยร่างกายกับความเมื่อนั้นเป็นคนละอนกันร่างกายตั้งอยู่ก่อนความเมื่อยเกิดขึ้นทีหลังเนี่ยค่อยดูไปเราจะพบว่ามันคนละอนกัน นะหรือจิตใจมีความสุขขึ้นมาที่แรกจิตใจเฉยๆพอเห็นดอกไม้สวยงามจิตใจมีความสุขขึ้นมาความสุขเป็นของแปลปลอมเข้ามาในใจเพราะงั้นความสุขไม่ใช่จิตใจนี่ก็หัดอย่างนี้ก็ได้นะเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาทางกายเวทนาทางใจคนลันกันจิตเป็นคนรู้คนดูนี่อีกอันหนึ่งกุศนะลอกุศนะลที่เกิดในจิตก็เป็นอีกอันหนึ่งนะเช่นจิตเกิดศรัทธาจิตเกิดวิริยะ จิตเกิดปัญญานะเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจพวกเราภาวนาบางทีก็เกิดความเข้าใจนึกออกไหมนานๆเข้าใจทีหนึงส่วนมากไม่ได้เข้าใจทุกวันนานๆจะเข้าใจทีนึงเป็นอย่างนี้ทุกคนปัญญาไม่เกิดตลอดเวลานานๆเกิดทีหนึงนะหรือกิเลสกิเลสสิเกิดทั้งวันไหเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงอะไรเกิดมากที่สุดโลภโกรธหลงอะไรเกิดเยอะที่สุดหลงเพราะอะไร เพรถึงจะโกรธบ่อยเท่าไหร่นะทุกครั้งที่โกรธจะต้องมีหลงกํากับอยู่เสมอถ้าไม่มีหลงนะจะไม่มีโลภจะไม่มีโกรธเพราะหลงเนี่ยเป็นกิเลสมาตรฐานเลยยืนพื้นเลยนะกิเลสอะไรเกิดเขาหลงเกิดด้วยกิเลสอะไรไม่เกิดเลยหลงก็ยังเกิดได้เก่งนะเก่งไปอย่างอื่นเนั้นจิตของเรากิเลสเต็มเลยนะเราคอยดูไปเมื่อกี้ไม่โกรธตอนนี้โกรธ นะเมื่อกี้ไม่โลภตอนนี้โลภเนี่ยดูใจมันเปลี่ยนเมื่อกี้โกรธอยู่ตอนนี้หายแล้วอะไรเนี้ยกลับไปกลับมามันเห็นถ่าความเปลี่ยนแปลงเห็นเลยความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าสิ่งเหล่านี้พวกเราอดทนนิดนึงนะฟังแล้วฟังอีกนะให้ชำนิชำนานจริงๆถ้าเราจะเอามาก่อนนิพพานจริงๆเราต้องเรียนอย่างนี้แหละเราต้องเรียนให้เห็นความจริงของกายเรียนให้เห็นความจริงของจิตใจอย่าเพิ่งเบือ่ออย่าเพิ่งท้อถอยบางคนว่ามันยากยากก็ต้องเรียน เหมือนไฟไหม้บ้านนะไฟไหม้บันไดข้างล่างไปแล้วเนี่ยถึงยังไงก็ต้องหาทางหนียออกจากบ้านมันทุกน้าอยู่ไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติปัญญาพอเราจะรู้ชีวิตเราเนี่ยไฟกํลาลังไหม้เหมือนบ้านไฟไหม้ต้องหาทางหนีให้ได้เลยนะถ้าไม่มีสติปัญญาก็โดนไฟครอกไปทอดแท้ใจก็ไฟครอกไปต้องอดทนเอานะถึงยากก็ต้องเรียนนะไม่ใช่ยากแล้วไม่เรียนไม่ยากไม่เรียนถูกไฟครอกตายไฟคือราคาโทสาโมหานี่ครอกตาย ไฟคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่จะครอบเรานะความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบสิ่งไม่รักไฟทั้งหลายทุกทั้งหลายนี่จะย่ำหยีพวกเราเรื่องอะไรเราต้องมีชีวิตที่ถูกย่ำหยีตลอดเวลานะงั้นยากก็ต้องเรียนไม่มีทางเลือกพยายามดูลงไปร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งดูบ่อยๆความสุขความทุกข์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งกุศลอกุศลก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งการที่เราหัดแยกขันเนี่ยไม่ใช่เพื่อเอาชนะขัน บางคนหัดทํากรรมฐานเนี่ยแยกขันออกมาแล้วเพื่อจะเอาชนะขันนะเช่นนั่งสมาธิอยู่มันปวดมันเมื่อยเอาแล้ววันนี้จะนั่งชนะเวทนานะจะนั่งเอาชนะเวทนาจะไม่ยอมกระดุกกระดิกปวดแค่ไหนก็ไม่ยอมกระดุกกระดิกนะคิดอย่างนี้นะดีไหมก็ดีเหมือนกันได้ขันติได้ความอดทนอดกลั้นแต่ไม่เกี่ยวกับปัญญานะถ้าจะดูให้มีปัญญาเนี่ยอย่าไปแทรกแซงขัน พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ทุกคือรู้ขันพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เอาชนะขันจำไว้นะตัวนี้สำคัญนะพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ขันให้เรารู้ทุกไม่ได้สอนให้เราเอาชนะขันถ้าเราเข้าใจขันเข้าใจทุกแจ่มแจ้งแล้วจิตมันปล่อยวางขันไม่ใช่ไปทำลายขันด้วยนะมันไม่ยึดขันเท่านั้นเองไม่ใช่ไปทาลายขันทาลายทุกไม่ใช่หน้าที่ต่อทุกคือการรู้เพราะงั้นเรารู้ขันลงไป ร่างกายก็ทาหน้าที่ของร่างกายร่างกายก็เป็นรูปปักขันมันทำหน้าที่อะไรบ้างร่างกายมันทำหน้าที่หายใจออกมันทำหน้าที่หายใจเข้ามันทำหน้าที่ยืนทำหน้าที่เดินทำหน้าที่นั่งทำหน้าที่นอนทำหน้าที่กินอาหารทาหน้าที่ขับถ่ายเรามีหน้าที่รู้มันดูมันทำงานไปดูมันทำหน้าที่ไม่ใช่ไปแทรกแซงมันเวลาหิวข้าวไม่กินข้าวเนี่ย ถือว่าปฏิบัติธรรมนะเวลาง่วงไม่นอนทรมานมันถือว่าปฏิบัติธรรมอันนั้นไม่ใชนะ่อันนั้นเป็นอุบายเพื่อจะดัดนิสัยตัวเองในบางครั้งบางคราวเช่นขี้เกียจมากนักก็ไม่นอนนะตะกล้ามากนักก็ไม่กินเป็นครั้งเป็นคราวนั่นเป็นการดัดนิสัยตัวเองฝึ ก, กจิตฝึกใจให้เข้มแข็งแต่ถ้าจะเจริญปัญญานะพวกเซนเขาเคยสอนกันนะบอกว่าหิ ว, วก็กินง่วงก็อ น, นอนฟังแล้วสนองกิเลสไหม หิวก็กินง่วงก็นอนไม่สนองถ้าตะกละก็กินขี้เกียจก็นอนอันนี้สนองนะหิวก็กินนี่เป็นเรื่องธรรมดาขันมันต้องเป็นอย่างนี้ง่วงขันมันก็นอนเขาไม่ได้สอนให้ขี้เกียจใช่ไไม่ได้สอนว่าตะกละก็กินนะขี้เกียจก็นอนเ็าไม่ได้สอนหิวก็กินง่วงก็นอนคือขันนั้นมันทำหน้าที่ของขันเราไม่แทรกแซงมันเวทนาก็ทำหน้าที่ของเวทนาก็เป็นขันนึ รูปก็เป็นหน้าที่ของรูปไปเวทนาก็ทําหน้าที่ของเวทนาเดี๋ยวเขาก็สุขเดี๋ยวเขาก็ทุกข์เดี๋ยวเ้าก็เฉยเฉยเราไม่แทรกแซงขันเช่นไม่ไปบังคับจิตว่าห้ามทุกข์ไม่ใช่ไปบังคับจิตว่าต้องมีแต่ความสุขไม่ใช่ไปบังคับจิตว่าต้องเฉยในิรันดอนถ้ามุ่งไปบังคับจิตนะไม่เรียกว่าไปรู้ขันนะแต่เป็นการไปแทรกแซงจิตไปแทรกแซงขันหรือ จิตจะเป็นกุศลจิตจะเป็นอกุศลกุศลอกุศลทั้งหลายเนี่ยเป็นสังขารขันเป็นขันหนึ่งหน้าที่ของเราคือรู้มันจิตเป็นกุศลรู้ว่าเป็นกุศลจิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลเช่นจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านตรงที่รู้ว่าฟุ้งซ่านนะจิตก็หายฟุ้งซ่านพอจิตหายฟุ้งซ่านจิตตัวนั้นเป็นกุศลขึ้นมาเราก็เห็นแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าห้ามจิตเป็นอกุศลจิตจะต้องเป็นกุศลตลอดเวลา เราไม่ได้แทรกแซงขันเพราะเราต้องระมัดระวังนะการทําวิปัสสนากรรมฐานนั้นจะไม่มีการแทรกแซงขันมีแต่การรู้ขันตามความเป็นจริงไม่แทรกแซงร่างกายไม่แทรกแซงความรู้สึกสุขทุกข์ไม่แทรกแซงกุศลและอกุศลและก็ไม่แทรกแซงจิตธรรมชาติของจิตที่เรียกว่าอยู่ในวิญญาณขันทํำไมเรื่องวิญญาณขันวิญญาณแปลว่าความอย่างรู้อารมณ์ความรับรู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ เห็นไหมจิตมีหลายแบบจิตที่รู้อารมณ์ทางตาเป็นวิญญาณจิตใช่ไหมเป็นวิญญาณจิตจักขู่วิญญาณจิตเรียกนะจิตที่ได้ยินเสียงเขาเรียกโสตะวิญญาณจิตนี่เป็นวิญญาณถือว่าเป็นวิญญาณรับรู้อารมณ์ทางใจเป็นมโนวิญญาณจิตนะอะไรเรียกว่าเป็นวิญญาณขันจิตนั้นเกิดทีละดวงแต่เกิดที่ตาบ้างที่หูบ้างที่จมูกบ้างที่ลิ้นบ้างที่กายบ้างที่ใจบ้างเราฝึกดูจิตอย่างที่มันเป็น ไม่ใช่ว่าห้ามเห็นห้ามได้ยินจะต้องนิ่งอยู่ที่ใจอย่างเดียวบางควรฝึกจะให้จิตนิ่งอยู่ที่ใจอย่างเดียวอันนั้นแทรกแสงขันหลวงพ่อเคยผิดไปเรียนจากหลวงปู่ดุลครั้งแรกนะเมื่อ6กลุ่มพาสองห้าท่านบอกให้ดูจิตเคยทําแต่อาณาปานสติมาตั้งแต่เด็กทําอยู่22่สิบสปีนะเรื่องสมาธิก็ชํานาญอยู่แต่เดินปัญญาไม่เป็นพอหลวงปู่ดุลบอกให้ดูจิตท่มามหาดัดดูดูไปแล้วจิตมันแยกออกจากอารมณ์ พวกเราตอนนี้ใครจิตแยกอารมณ์เป็นบ้างใครเคยเห็นยกมือสิยกมื อ, ย ก, มอยกให้มันกล้าหารหน่อยนักปฏิบัตินี้ขี้กลัวขี้เกียจสารพัดขี้เหยาะเยาะใหญ่ ใ, ญใญกล้าเลยไม่กลัวหลวงพ่อไม่กลัวครูบาจารย์เลยนะบางองค์เขาเลื่อมลือว่าดุนะเข้าไปหาไม่มีกลัวอาจารย์มหาบัวเลยยังไม่กลัวเลยเข้าไปกลัวอะไรท่านดา่าก็ด่ากิเลสไม่ได้ด่าเรานะท่านจะมาด่าเราทําไมอ เยกพวกเราปรากฏแยกแยกได้ใช่ไหมจิตมันแยกออกจากอารมณ์มันตั้งมัน่นหลวงพ่อหัดนะเมืองปู่ดูลสอนวันนั้นนะ่ะตอนตอนสายสายสอ น, นนั้นนะ่ะตอนเย็นหลวงพ่อตั้งขึ้นมาแล้วแยกได้แล้วถัดจากนั้นบางวันมันก็ไหลเข้าไปเกาะนะก็เราก็แก้ไขมันตั้งขึ้นอีกเนี่ยจิตจะต้องตั้งอยู่อย่างนี้แหละคิดว่านี่หลายดูจิตสมเดือนฝึกไปชํานี้ชํานางเลยตั้งอยู่ได้ทั้งวันไปส่งกันบ้านหลวงปู่หลวงปู่ผมดูจิตเป็นแล้วจิตเป็นยังไง จิตนะั้นมันต่างๆนานาสารพัดเลยนะแต่มันไปเกาะ อ, อะไรนะผมดูปุ๊บๆทีเนี้ยหลุดเลยครับตั้งเด่นโดยได้ทั้งวันเลยหลวงปู่บอกนั่นแทรกแซงอาการของจิตยังไม่ได้ดูจิตเลยไปดูใหม่นึกว่าจะชมนะสิ่งที่ท่านบอกก็คือไปดูใหม่ทําผิดแล้วเราไปแทรกแซงขันเพราะงั้นไม่ได้ไปบังคับจิตให้นิ่งๆคงที่อยู่นะจิตนนนะ่ะมันจะต้องหมุนเวียนไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ จิตมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นเพราะฉะนั้นถ้ามันไหลเข้าไปเกาะอารมณ์รู้ว่าจิตไม่เข้าไปเกาะอารมณ์ถ้ามันแยกออกจากอารมณ์ตั้งมั่นขึ้นมารู้ว่ามันแยกออกมาดูมันทํางานดูร่างกายทํางานอย่างที่ร่างกายเขาเป็นไม่เข้าไปแทรกแซงร่างกายดูเวทนาคือความสุขทุกข์ความเฉยๆนะอย่างที่เขาเป็นไม่เข้าไปแทรกแซงเวทนาไม่ใช่จะนั่งสมาธินะจะให้มีแต่ความสุขไม่ให้มีความทุกข์ หรืจะนั่งสมาธิจะให้มีแต่อุเบกขาให้เฉยลูกเดียวอันนี้แทรกแซงนะการที่เราไม่แทรกแซงนั้นเราปล่อยให้เขาทํางานอย่างอิสระเราถึงจะรู้ว่าตัวจริงของเขาเป็นยังไงถ้าเราแทรกแซงเขาเราจะไม่เห็นตัวจริงของเขาเราจะไม่สามารถเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้ถ้าเราเข้าไปแทรกแซงเพราะฉะั้นเราแค่รู้นะใจของเราถอยออกมาเป็นคนดูเห็นขันมันแยกออกไปแล้วอย่าเข้าไปแทรกแซงขันร่างกายจะสุกร่างกายจะทุกข์ ก็แค่รู้ว่าร่างกายมันสุขมันทุกข์ใจอยู่ต่างหากนะจิตใจมันจะดีจิตใจมันจะร้ายจิตใจมันจะสุขจิตใจจะทุกข์ก็เห็นมันทํางานไปเราไม่แทรกแสงนะไม่แทรกแสงไม่ว่าจะเป็นขันอะไรทั้งสิน้นพวกเราชอบแทรกแสงขันโดยอัตโนมัติทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติเราจะแทรกแสงขันโดยอัตโนมัติยกตัวอย่างที่พวกเราเห็นง่ายๆเลยอย่างพวกเราหายใจมาตั้งแต่เด็กรู้สึกไหมใครเคยหายใจตั้งแต่เด็กบ้างมีไหม ก็เป็นอ่ะไม่หายใจก็บ้องแล้วนะเราหายใจแต่เด็กเราเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยใช่ไหมพอเราคิดว่าต่อไปนี้เราลงมือปฏิบัตินั่งใช่ไหมกำนดลมหายใจเหนื่อยไหมเราแทรกแสงร่างกายเราแทรกแสงการหายใจแนละทันทีที่คิดเรื่องปฏิบัตินะไม่มีอะไรมากกว่าการแทรกแสงกายแทรกแสงใจนะจะเดินจงกรมเคยเดินเดินชอปปิ้งหลายชั่วโมงไม่เหนื่อยใช่ไหมเดินจงกรมจะตายแล้วเพราะเดินไม่เหมือนมนุษย์เดิน ท่านแรกต้องทำคลุมก่อนเพื่อความเทนะ่วางได้ที่แล้วก็ค่อยเดิ น, นเนโอยบางคนเดินตั้งชั่วโมงนะยังได้สองเมตรเองเมื่อยตายเลยนะเราแทรกแสงนะเวลาจะหายใจนั่งสมาธิปุ๊บเนะี่ยแทรกแสงละนะแทรกแสงเองเริ่มต้นพระพุทธเจ้าบอกหายใจยาวรู้หายใจยา ว, ว, าายยาวต้องยาวก่อน อย่าพออย่างต่อไปหายใจสั้นอ๋นี่แทรกแซงหมดเลยนะำไมไม่หายใจไปตามธรรมชาติตอนนี้หายใจอยู่หรือเปล่าตอนนี้ก็หายใจอยู่แล้วใช่ไหมก็แค่รู้ว่าร่างกายกำลังหายใจอยู่นี่แหละปฏิบัติแล้วไม่ใช่ต้องวางฟอร์มก่อนพอวางฟอร์มนะก็บังคับกายแล้วก็บังคับใจรู้สึกไหมขยับตัวเสร็จแล้วต้องขยับใจตาม อย่างเราจะเดินจงกรมเราขยับขยับเราก็ต้องทำใจให้ขลุมขลุ่เนียเราค่อยเดินเออน ะ, นะมันทั้งบังคับกายมันทั้งบังคับใจทายัางไงเราจะเห็นความจริงของกายของใจอย่าบังคับมันดูอย่างที่เขาเป็นถ้าดูอย่างที่เขาเป็นเราจะเห็นเลยเขาไม่เที่ยงเขาถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา เขาบังคับไม่ได้จะเห็นเองนะไม่ต้องคิดเลยบางคนรู้สึกตัวแล้วมันไม่ยอมคิดต่อไม่ยอมพิจารณาักกายพิจารณ า, า, าใจรู้สึกตัวแล้วรู้อยู่เฉยๆอันนี้ครูบาอาจารย์จะมีอู่บายให้ไปคิดพิจารณาอย่างว่าออกจากสมาธิมาจิตมันติดนิ่งติดเฉยนะท่าบอกให้ไปพิจารณาร่างกายอย่างพวกเราเนี่ยจิตไม่ได้ติดนิ่งติดเฉยไปพิจารณาร่างกายก็ฟุง้งซ่านนะไม่ได้ไประโยชน์อะไรหรอก ดูจิตดูใจไปเลยแต่ถ้าเราออกจากสมาธิแล้วจิตนิ่งไม่ยอมรู้อะไรไม่รู้ร้อนรู้หนาวเนี่ยอย่างเนี้ยนะท่านจะบอกให้มาดูกไกผมคนเล็บฟันหนังด้วยกระดูกไล่คิดพิจารณาไปเพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นให้จิตทำงานไม่ให้จิตติดนิง่งติดเฉยแค่นั้นเองตรงที่ออกจากสมาธิแล้วพิจารณาไกาจึงไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานหลวงปู่เทศเคยสอนนะอันเนี้ย ตรงที่คิดพิจารณาอยู่ยังไม่เป็นมีศัสนาหลวงพระพุทธนี่พูดชัดเลยว่ามีศาสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดแต่ว่าเป็นแค่อุบายต้องแยกให้ออกนะว่าหลักหลักการปฏิบัติเป็นยังไงอุบายของการปฏิบัติเป็นไงคนละอันกันอุบายเป็นเรื่องเฉพาะตัวอย่างถ้าเราจิตไม่ได้ติดนิ่งติดเฉยเราไม่ต้องไปคิดพิจารณาเราดูของจริงเลยกายก็ทํางานใจก็ทํางานอยู่แล้วดูเขาทํางานอย่าเข้าไปแทรกแสงเขาเขาแค่นั้นเองพอไหวไหมยากไปไหมวันนี้ วันนี้เทศไม่ยากนะวันนี้เทศคนใหม่ๆมาเยอะหน่อยก็เทศง่ายหน่อยแต่พวกเก่าๆมาบางทีก็เทศลึกไปลึกไปเรื่อยๆนัทธธรรมมันมีหลายระดับสรุปง่ายๆนะถ้าพวกเราอยากได้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะขั้นแรกรู้สึกตัวขึ้นมาให้ได้ก่อนใจหนีไปคิดเรารู้ทันเราจะรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวได้แล้วเนี่ยจเจริญปัญญา จุดตั้งต้นของเจริญปัญญาเนี่ยแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆร่างกายอยู่ส่วนหนึง่งความสุขความทุกข์นนนะอยู่ส่วนหนึ่งกุศลอกุศลอยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้อยู่ส่วนหนึ่งนะมันมีอีกกองหนึ่งนะสัญญาขันความจำได้ความหมายรู้นะอันนี้ดูยากนิดหนึ่งแขวนไว้ก่อนดูยากเอาไว้ก่อนก็ได้วันหลังก็ดูเป็นความจาได้กับการหมายรู้ไม่เหมือนกัน จำได้เนี่ยหมายถึงเราไปเห็นอะไรอย่างหนึ่งนะเรามีข้อมูลเดิมอยู่ชัดเจนแนละเรารู้เลยว่านี่คือสิ่งนี้เช่นเราขับรถไปเราเห็นไฟแดงเรารู้ว่านี่สีแดงเราจําได้ว่านี่สีแดงนะแล้วมีความจําซ้อนอีกชั้นหนึ่งก็ได้นะสีแดงแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ให้ไปนะสีเขียวแปลว่าไปได้นะสีเหลืองแปลว่าให้รีบรีบไปอนะไรใช่ไหมเจอไฟเหลืองต้องรีบไปก่อนแนละ้หละ เนีอย่างนี้เรียกว่าความจําได้เราเคยรู้จักแมวบ้านเรามีแมวเราไปที่อื่นไปเห็นแมวเราก็อ้อนี่แมวเนี่ยความจําได้เราไม่เคยเห็นเสือนะส่วนเด็กเล็กๆคนหนึ่งไม่รู้จักเสือที่บ้านมีแมววันหนึ่งไปเที่ยวสวนเสือไปเห็นเสือไปเที่ยวเขาดินไปเห็นเสือเด็กก็หมายรู้หมายรู้เนี่ยมีข้อมูลเดิมอยู่นะเอามาเปรียบเทียบเข้ากับปรากฏการใหม่โอ้นี่คือแมวขนาดใหญ่เนี่ยนะ นี่เรียกว่าหมายรู้เอาคาดคะเนเ อ, เอา น, นี่ความจําได้ความหมายรู้นะแล้วยังมีอีกอย่างหนึ่งนะความหมายรู้แบบเพีย้ยนเพียนเพราะงั้นเรื่องสัญญาเนี่ยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะเรียนยากบางคนไม่เข้าใจไปแทรกแสงสัญญานะแทรกแสงรูปยังไม่เท่าไหร่นะแทรกแสงเวทนายังไม่เท่าไหร่แทรกแสงสังขารไม่เท่าไหร่แทรกแสงจิตไม่เท่าแทรกแสงสัญญาเนี่ยถึงกระเบา้าง่ายๆ เห็นโต๊ะเรียกเก้าอี้จะล้างสัญญาไปล้างมาไม่ทําไมนะเรามีหน้าที่รู้ตามความเป็นจริงสัญญามีอยู่ไม่ต้องไปดัดแปลงมันนะบางคนนะเห็นโต๊ะบอกว่าเก้าอี้เห็นคนเรียกหมาก็ เ, าเห็นคนเดินมาอ๋อหมามาแล้วเลยปากแตกเลยนะเพราะสมมุติบัญญัติไม่เหมือนคนอื่นนะนะงั้นเราดูลงไปนะร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งร่างกายก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นน่าตาอย่าเบแทรกแซงอย่าไปบังคับมัน นะเวทนาความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาอย่าไปแทรกแซงมันมนะ่าต้องเอาแต่สุขห้ามทุก อ, อย่างี้แทรกแซงสังขารมันเดี๋ยวมันก็ปรุงดีเดี๋ยวมันก็ปรุงชั่วก็แค่รู้ดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวอย่าไปแทรกแซงมัน จิตเดี๋ยวก็รับรู้อารมณ์ทางตาเดี๋ยวก็รับรู้อารมณ์ทางหูเดี๋ยวก็รับรู้อารมณ์ทางใจไม่ไปแทรกแซงมันม่นต้องรู้นิ่งๆอยู่ที่จิตอย่างเดียวบางคนไปรู้นิ่งๆอยู่ที่จิตอันเดียวอันนั้นไม่ใช่วิปัสสนาเป็นการไปแทรกแซงขันวิปัสสนาจะเห็นขันตามความเป็นจริงห้ามไปแทรกแซงมันเราจะเห็นได้ถ้าใจเราตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วเห็นขันนั้นแยกออกไปขันนั้นแหละจะสอนไตรลักถ้าเราเห็นขันแสดงใจรักแจ่มแจ้งแล้วนะเรียกว่า เรามีสัมมาทิฏฐิขึ้นมาแล้วเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วขันนี้ไม่ใช่ของดีขันนี้ไม่ใช่ของวิเศษรูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ประกอบเกินขึ้นเป็นตัวเรานี้มีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษเพอ ร, รู้ว่าขันเป็นตัวทุกข์เนี่ยสมุทัยจะถูกละอัตโนมัติงั้นรู้ทุกข์เมื่อไหร่ละสมุทยัยมันนัความอยากหมดเลยความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขจะไม่มี ความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกยังไม่มีทําไมไม่อยากให้มันเป็นสุขก็รู้แจ่มแจ้งว่ามันเป็นตัวทุกทําไมไม่อยากให้มันพ้นทุกก็รู้ว่ามันเป็นตัวทุกมันหนีทุกไม่ได้มันเป็นทุกอยู่อย่างนั้นแหละไม่ใช่พระละหันเราหนีว่ากายไม่ทุกใจไม่ทุกไม่เกี่ยวนะคือจิตใจของท่านนอะไม่เสพความทุกนะความปรุงต่างๆมันก็มีแต่มันไม่ปรุงชั่วเพราะมันไม่มีเหตุนะความปรุงดีมีนะแต่จิตท่านไม่เข้าไปเสพอารมณ์ความสุขมี จิตมีความรู้สึกสองชนิดนะจิตของพระอราหันต์มีความสุขกับอุเบกขาเพราะฉะนั้นจิตพระอราหันต์ก็ไม่เที่ยงนะบางดวงเป็นสุขบางดวงเป็นอุเบกขาบางดวงมีปัญญาบางดวงไม่มีปัญญาคือรู้ตัวอยู่เฉยๆบางดวงกยเห็นรูปนามเห็นความจริงของธาตุของขันเห็นความจริงของพระนิพพานบางดวงมีปัญญามไม่มีแต่ของไม่เที่ยงเหมือนแต่ท่านไม่ยึดถือว่าจะต้องเป็นอย่างนี้นีิรันดอนไม่ใช่ คุณสมบัติบางอย่างของท่านเที่ยงคือจิตของท่านไม่มีอะไรปรุงแต่งได้จิตท่านไม่ยึดถืออะไรจิตท่านไม่มีความทุกข์ไม่มีเครื่องทิมแทงนะไม่มีภาระอันนี้เป็นคุณสมบัติร่วมของจิตพระลรหันนะแต่จิตพระลรหันเองนั้นมีหลายอย่างนะค่อยฝึกนะให้ฝึกไปสัมมาทิฏฐิเกิดเมื่อไรก็ข้ามภพข้ามชาติเมื่อนั้นสัมมาทิฏฐิก็คือรู้ทุกข์รู้สมุทยัยรู้นิโรธรู้มรร รู้กิจต่อทุกข์ว่าทุกข์ต้องให้รู้รู้กิจต่อสมุทัยว่าต้องละรู้กิจต่อนิโรธคือการทำให้แจ้งรู้กิจต่อมรรคคือการทำให้เจริญแล้วก็รู้ทุกข์ท่านรู้แล้วนะละสมุทัยแล้วแจ้งนิโรธแล้วเกิดอริยมรรคแล้วนะนะนะจิตจะพ้นจากทุกข์ไปมันไม่ยากเท่าที่คิดหรอกนะรู้ทุกข์ให้เป็นนะที่เหลือจะเป็นเองถ้ารู้ทุกข์แจ้งนะจะละสมุทัยเองจะ ละสมทัยเมื่อไหร่แจ้งนิโรธเมื่อนั้นแจ้งนิโรธเมื่อไหร่เกิดอริยมรรคเมื่อนั้นเกิดในขณะเดียวกันนะจิตทั้ง4ในอริยสัจนะทําเสร็จในขณะจิตเดียวนะที่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งงั้นเราพยายามรู้ทุกข์ให้แจ่มแจ้งนะรู้สึกตัวขึ้นมาเห็นกายทํางานเห็นใจทํางานอย่าไปแทรกแซงมันถ้าลืมมันไปก็เรียกว่าหลงไปลืมกายลืมใจถ้าแทรกแซงมันก็คือไปเพ่งมันไปบังคับมันไปแทรกแซงมัน นี่คือความสุดโต่งสองข้างข้างหลงตามกิเลสไปเป็นการสุขาริการโยกข้างไปแทรกแซงธาตุขันเนี่ยเป็นอัตตกิลมัฏฐานโยกงั้นอยากเข้าไปแทรกแซงรู้ตามความเป็นจริงจนกระทั่งรู้แจ้งรู้แจ้งแล้วมันบอปล่อยวางของมันเองนะพอปล่อยเองนะก็รู้ด้วยตัวเองนั่นแหละนะวันนี้เทศเท่านี้พอละ45นาทีนะการนมันส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะ ก็คือขออนุญาตส่งการบ้านครั้งแรกฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณเกือบสองปีเจ้าค่ะมีวันนึงคือหนูกลับมาจากปฏิบัติธรรมที่วัดอะคะ่ะแล้วทีนี้ระหว่างที่เดินขึ้นกลับขึ้นไปบนห้องเนี่ยได้ยินเสียงของแม่บนทีนี้หนูจับความรู้สึกได้ตั้งแต่เสียงของแม่ที่มากระทบแล้วก็มันรู้ว่าเป็นคําบนแล้วก็เกิดความรู้สึกไม่พอใจเ<ม>จ้าค่ะ<ม>แล้วก็ดำลงไปอะเจ้าค่ะ เห็นไหมเสียงกระทบหูไม่มีความหมายอะไรสัญญาเข้าไปแปลว่าเสียงนี้เขาพูดว่าอะไรจิตเกิดการตัดสินว่า น, นี่คือเสียงบน่นจิตเกิดโทสะไม่ชอบทีนี้เรามีสติตรงที่จิตมีโทสะก็ยังดีดีแล้วก็เมื่อการสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าค่ะระห ว, ว่างที่ภาวนาวอยู่ก็มีความรู้สึกง่วงซึมมันเกิดขึ้นมาเจ้าค่ะแล้วทีนี้ไอความรู้สึกง่วงซึมมันเกิดขึ้นมาเนี่ย อ, อหนูรู้สึกว่ามันมีอะไรปนกันอยู่ในความรู้สึกง่วงซึมทันทีที่รู้เนี่ยหนูเห็นจิตที่ไปรู้ความรู้สึกเงื่องง่วงซึมมันแยกออกมาจากกันแล้วมันก็ดับไปนะเจ้าค่ะนั่นแหละกระทั่งง่วงๆนะง่วงตัวนั้นง่วงด้วยโมหะถ้า ง, ง่วงด้วยโมหะเนี่ยพอสติระลึกนั่นก็แยกออกไปเลยคแต่ถ้า ง, ง่วงเพราะร่างกายไม่เกี่ยวนะแล้วมันก็ตื่นขึ้นมาเลยจ้ะไอ้นั้นแสดงว่าซึมเพราะโมหะ แต่ถ้าร่างกายอ่อนเพลียนะดูยังไงก็ซึมอยู่งั้นอันนั้นซึมทางร่างกายไม่ใช่กิเลสดีดูไปไปทำไปดูต่อแต่อย่าอยากเห็นนะถ้าอยากเห็นทีทีอยากเห็นชัดๆอยากเห็นต่อตลอดเวลาจะกลายเป็นจ้องเป็นเพ่งไปแทรกแสงขันอย่าไปจ้องมันดูมันทํางานไปปล่อยให้มันทํางานไปแล้วก็รู้ทันมันขอบพระคุณเจ้าค่ะ การนัตการครับค hmm. SI ือผมไม่ได year well ้ส่งกันบ้านของพ่อนานแล้วประมาณ4ี่ปีครับคือสปีนี้ก็ปฏิบัติมาตลอดนะครับก็คือการปฏิบัติของผมก็คือดูดูกิเลสในชีวิตประจาวันนะครับก็ดูกายบ้างอะไรครับเห็นเห็นกายแยกออกจากใจไหมกายกับใจเป็นโคนละอันรู้สึกไหมครับก็เห็นอยู่ครับเห็นไหมกิเลสกับจิตเป็นโคลนกันครับเออถ้าเห็นได้ก็ดีก็ทีนี้ก็ อยากถามว่าผมติดอะไรอยู่ไหมครับตอนนี้ครับเพ่งไหมละ่ะตอนนี้ไม่ได้เพ่งครับตอนนี้จิตแน่นๆหรือจิตโปร่งโปรตอนนี้แน่นเพราะตื่นเต้นครับโอตื่นเต้นนในอันหนึ่งนะครับไม่อยากตื่นเต้นแล้วไปบังคับมนะันอ่ะมันก็เลยแน่นนั่นแหละเพ่งหครับวิธีวัดง่ายๆว่าเพ่งหรือเปล่านะดูแน่นไหมถ้าแน่นอ่ะเพ่งแน่นอนอ๋อของผ ม, ผ ม, มีมีคําแนะนําอะไรที่แบบเชิงลึกไหมครับให้แบบ ปฏิบัติจริงที่กว่านี้ครับคือทุกวันได้ทำในรูปแบบไหมก็ไม่ได้ทำทุกวันนะครับคือทำเป็นบางวันครับพยายามให้สม่ำเสมอนะการที่เราทำทุกวันให้สม่ำเสมอเนี่ยมันจะเห็นไตรลักษณ์ง่ายครับถ้าเราทำบ้างเว้นบ้างช่วงไหนทำมันก็เจริญช่วงไหนละเว้นมันเสื่อมครับเราไม่เห็นหรอกว่ามันเสื่อมจะเป็นไตรลักษณ์มันจะรู้สึกว่าเสื่อมเพราะเราไม่ได้ทา <c oughs> แต่ถ้าเราทำสม่าเสมอนะอดทนนะจิตจะได้พลังด้วยได้คุณงามความดีหลายตัวเลยอดทนทำไปด้วยทั้งๆที่เราทำสม่าเสมอนะแล้วยังเสื่อมให้ดูเราจะรู้เลยเราไม่เก่งเรานะเราบังคับไม่ได้ทุกอย่างเนี้ยไม่มีอะไรที่เราบังคับได้จริงเลยนะ <c oughs> อดทนตัวนี้นะจะก้าวหน้าได้เร็วขึ้นาการบัตรสการครั บ, ารบการบัสการหลวงพ่อคะอ่ะโยมฝึกดูกายดูใจจะดี ยมมีคำถามสามข้อนะคะอ่าพอพอยมดูกายดูใจดูไปดูมามันก็เหมือนมีผู้รู้มาเด่นดวงอยู่ข้างหน้า<ฮ> น, น, นะค ะ, แ ล, ะ, แ, ละแล้วแล้วคราวนี้พอาะมันมันยังกับว่าเป็นแบบพระราชาที่แบบขึ้นนั่งบันลังเสร็จแล้วทุกสิ่งแบบเงียบกริบอะไรคล้ายๆ อ, อย่างนั้นแต่นี้ยมก็อ่าอันนี้มันน anyway, ยมก็ก็เลยแบบไปลึกรู้ไอ้ตัวที่เขาแบบว่า เงียบกริบที่ที่ที่นั่งบันลังอยู่แล้วมันจะมีความรู้สึกที่นิดหนึ่งที่มันเป็นแวบนิดหนึ่งที่มารู้สึกตัวนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วคําถามอันที่สองนะคะโยมก็ตื่นมาตอนเช้าอืโยมก็มองไปที่หน้าต่างที่ครัวก็ก็เป็นสภาวะที่แปลกๆที่มองเห็น อ, อ่ต้นไม้ใบหญ้าบ้านทุกสิ่งทุกอย่าง ม, มันก็มันก็ไม่ไม่ได้เข้าไปแบบอื อะไรของมันนะโยมไม่รู้จะอธิบายกันเหมือนว่าเหมือนว่ามันก็ the way it is ของมันอย่างนี้ค่ะท่านสะ็แล้วโยมก็ไปเดินในใน subdivis ในในหมู่บ้านนะคะมันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เห็นหมาเห็นรถเห็นแมวเห็นอะไรก็ก็เหมือนว่ายังแบบว่ามันเท่าๆกันอย่างนั้นนะคะเราไม่รักษานะค่ะคราเห็นโยมก็เห็นโอเคค่ะแต่ว่าตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เห็นอีกเลยนั่นแหละถ้าอยากเป็นไม่เห็นอีกแล้ว แล้วก็คําถามที่สมก็คือท่านบอกว่าโยมจะต้องนั่งทําสมถะใช่ไหมคะเราจะได้มีกําลังเนี่ยโยมก็คิดว่าถ้าโยมจะควรจะทําสมถะบ้างให้จิตมีกําลังแต่พอพอนั่งไปทีไรอย่างเงี้ยมันโยมมีความรู้สึกอย่างแบบว่ามันมีเหมือนพลังบางอย่างที่มันดูดโยมมันจะดูดโยมไปอยู่ในอะไรสักอย่างนึงชั้นโยมก็ ตื่นดีกว่าไม่นั่งแล้วเพราะว่ามัน ม, มันแปลกๆอย่างนี้<ม>ใช่ไหมคะโยมก็ไม่นโยมก็รู้สึกตัวแบบขยับนิ้วทําอะไรแล้วรู้สึกตัวคร <c oughs> าวนี้พอเวลายโยมนอนโยมก็ได้ยินว่าเอาทากายอะไรให้ให้ทําใจแบบให้สบายๆรู้หรือเคาะมือหรืออะไรเพื่อให้รู้ระลึกตัวละลึก ร, ร, รู้สึกตัวได้ตรอนนี้พอโยมหลับตาทีไรมันจะเป็นในลักษณะยังกับว่าเห็นเหมือน คล้ายๆแสงนิดนึงแล้วมันค่อยๆแบบว่ามารวมกันมารวมกันเป็นน่ากลัวมากเลยท่านเป็นอย่างนั้หน้าปีศาจหรืออะไรสักอย่างโยงก็โอ้ goodness, มาเกิดนะยงก็เลยอ๋อไม่หลับไม่หลับตามองดูเพดานอืแล้วก็พอมองดูเพดานคราวนี้แม้แต่ลืมตายอยู่ไอ้ไอ้แสงเหล่านั้นอ่ะพ่อน่าหน้ า, นาอย่าไปทําอย่างนั้นค่ะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยให้รู้ทันที่จิต เพราะงั้นพอวนาไปแล้วสมมติว่าเราเห็นโลกนี่ราบราบไปหมดเลยนะใจเราพอใจรู้ว่าพอใจหรือใจเราเฉยเฉยเป็นอุเบกขาหรือว่าใจเฉยเฉยพอมันจะถูกดูดรวมลงไปใจเรากลัวรู้ว่าใจเรากลัวนะแล้วอะไรอีกอั น, นอันหลังเนี้ยรวมความลงมาที่จิต น, นี้แนะหละเห็นแสงขึ้นมานะมารวมกันอย่าไปดูที่แสงให้รู้ทันว่าจิตกาลังกลัวอยู่ ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นรู้ทันที่จิตของเราเองนะนั่นแหละจะผ่านไปได้แม้นทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏขึ้นมาเนี่ยเราโม่ไอ้นี่ก็กลัวไอ้นี่ก็กลัวนี่ก็กลัวกลัวไปหมดเลยนะใจไม่สงบสักทนะีเพราะฉนั้นอย่างมันกลัวขึ้นมารู้ว่ากลัวเลยความกลัวขาดนะจิตก็สงบตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นสมถ a น n ี้ก็ต้องทําแม้ว่าจะแบบอันนั้นก็ต้องผ่านให้ได้ใช่ไมสมถ a r ไม่ยากอย่างนั้นหรอกนะไปอ่านพุทธประวัติ ไปอ่านประวัติภาษาโวกอ่านอะไรเงี้ยนะจิตใจได้แช่มชื่นจิตเคล้าเคลียกับธรรมะก็เป็นสมถะเหมือนกันนะไม่ใช่น้อมจิตไปเห็นสงเห็นแสงถ้าอยู่ไกลครูบาอาจารย์ไปเล่นเงี้นไม่ค่อยเหมาะหรอกแล้วเราจมีอะไรจะต้องไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นให้รู้ทันจิตนะเป็นคนช่างคิดนะคนช่างคิดเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะกับคนช่างคิดคือการรู้จิตตนเอง <คะ S 1> ดูไปด้วย แสงเสริงสีเสียงอะไรไม่เอาเอ า, เอาที่จิตอันเดียวแต่อย่าไปจ้องอยู่ที่จิตความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นที่จิตแล้วค่อยรู้เอาอย่าไปรอดูถ้าไปรอจ้องเมื่อไหร่จิตจะเคลื่อนไหวมันจะนิ่งไปหมดเลยห้ามเพ่งจิตอันนั้นเป็นการเพ่งจิตแล้วคราวนีมน้มันมีความรู้สึกเหมือนสองอันเนี่ค่ะไอ้รู้สึกมีรู้สึกแบบข้างในกับมันมันเหมือนรู้สึกข้างนอกที่มันไกลไกลอ่ะท่านมันมันมีสองรู้สึกรู้สึกเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะ ไม่ว่าจะรู้สึกข้างนอกรู้สึกข้างในจิตเราเป็นยังไงเรารู้ทันที่จิตเอาตรงนี้เลยนะจะได้สาระคนะักต่อไปนำ้ำมัศการค่ะหลวงพ่อ อ, อที่หนูปฏิบัติมาค่ะหนูต้องแก้ไขเพิ่มเติมอะไรบ้างะคะหนูเล่าสัหน่อยสิจะได้ไม่น่าเกลียดหนูมีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าหนูดื้อค่ะดื้ออะไรนะ ดืออค่ะดืมห น, ห, นหนูมีความรู้สึกว่าหนูเหนื่อยกับตัวเองทุกวันนี้หนูก็เห็นแต่ว่าเวลาปฏิบัติแล้วมันอยากจะให้มีความสุขอยู่ตลอดก็คือตอนที่ทําแรกๆมันมีความสุขหลังๆมันปฏิบัติมาแล้วมันมีแต่ความทุกข์อะค่ะหนูรู้สึกว่าจิตหนูถูกบีบคันอยู่ตลอดเวลาคือหัดทีแรกนะจิตเราฟุ้งซ่านจิตเลยเนี่ยพอจิตตั้งมั่นขึ้นมามันจะมีความสุขเพราะมันมีสมาธิแต่เมื่อจิตมีสมาธิถัดจากนั้นในขั้นเดินปัญญาเนี่ย ต่อไปจะเห็นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดเลยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปจะเห็นทุกข์นะแต่ว่าปัญหาอยู่ตรงนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าจิตเป็นกลางต่อทุกข์ไหมถ้าเป็นเห็นความทุกข์แล้วจิตไม่เป็นกลางต่อทุกข์นั่นแหละทุรนทุรายถ้าเห็นความทุกข์แล้วจิตเป็นกลางนะจิตจะคลายความยึดถือในกายในใจมันทำยากค่ะหนูมีความว่าหนูมีโทสะ คือมันถูกบีบควานแล้วหนูยังไม่เป็นกลางแล้วหนูหนูเหนื่อยหนูทุกข์อะค่ะทุกวันนี้หนูมีความจริงๆหนูมีความสุขกับคนอื่นเยอะมากนะแต่หนูทุกข์มากเลยค่ะหลวงพ่อแล้วทุกข์เพราความคิดของเราไงเพราะความคิดใช่ไหมคะทุกข์เพราะความคิดคิดเรื่องนี้แล้วเป็นอย่างนี้คิดอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะห้ามไม่ได้ความคิดนะนี่พอความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยเราอยากได้ความสุขใช่ไหมใจมีความอยากใจถึงทุกข์มากขึ้นค่ะให้เรารู้ทันจิตใจของเราไปรู้อย่างเป็นกลางแล้วเห็นเลยใจมันอยากแล ใจมันจะเอาวันนี้ใจจะไม่เอาวันนี้ใจไม่เป็นกลางถ้าเห็นความไม่เป็นกลางแล้วมันจะเข้ามาสู่ความเป็นกลางได้ถ้าใจเป็นกลางเราจะเห็นสุขกับทุกข์เนี่ยเท่าเทียมกันแล้วต่อไปจะเห็นเลยว่าคําว่าสุขเนี่ยไม่มีมีแต่ว่าทุกข์มากกับทุกข์น้อยคนเข่าเห็นว่าทุกข์น้อยคือความสุขถ้าเราเห็นอย่างนี้ได้นะใจจะหมดความยึดถือถ้าใจหมดความยึดถือเนี่ยใจจะเป็นอิสระ ใจจะโปร่งโล่งเบาเป็นตัวของตัวเองมีความสุขที่สุดเลยต้องฝึกเอาอให้การเห็นทุกข์เนี่ยเป็นทางผ่านไปสู่บรมสุขคือพระนิพพานหนูต้องนั่งสมาธิให้มากกว่านี้ปะคะนั่งยากมันใช่นูงยากเพราะว่าหนูช่างคิดมากใจหนูกระโดดโลดเต้นมากนะแล้วหนูต้องทํายังไงคะหลวงพ่อหนูคอยรู้สึกร่างกายบ่อยๆไหนก็แล้วกันอ๋อให้หนูดูกายเออเอาท่างกายมาช่วย เรานอกจากช่างคิดเรายังรักสุขรักสบายรักสวยรักงามด้วยหนูดื้อไหมคะหลวงพ่อดื้อดื้อหนูก็รู้สึกว่าหนูพยศมากเลยบางทีหนูเหนื่อยกับคือบางทีเห็นว่าจิตมันพยศมากเลยค่ะจิตแต่ละคนไม่เหมือนกันเราเลือกไม่ได้จิตของเราสะสมมาในทางจะดื้อเพราะฉะนั้นการจะทำกรรมฐานจนมันหลุดพ้นต้องยอมเหนื่อยนะคม้าพยศต้องทรมานแต่ทรมานฝึกสําเร็จแล้วเป็นม้าดี ดีกว่าม้าเชื่องเชื่องม้าขี้เกียจม้าไม่มีแรงดื้อไม่เป็นไรหลวงพ่อมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมไหมคะอดทนไว้นะแล้วอย่าอยากสําเร็จเร็วๆค่ะขยันทำใช่ค่ะอย่าอยากให้มันสําเร็จเร็วๆสังเกตไหมมันขัดแย้งใช่ค่ะอยากสําเร็จเร็วๆแต่ขี้เกียจปฏิบัติใช่ค่ะใช่สินี่แหละปัญหาอะต่อไปขอบคุณค่ะ คุยกับหลงพ่อบางที่ถูกเปิดโปงไม่ว่ากันเนาะ <c oughs> ส่งกันบ้านในรอบหกเดือนค่ะก็พอเห็นไตรักบ้างว่ามันเกิดดับแล้วก็มันบังคับไม่ได้แล้วก็รู้สึกจิตใจมันเกาะเกี่ยวกับความทุกข์ความออนะสุขน้อยลงอะค่ะใค่อฝึกไปด่วยแล้วถ้าจิตใจเราเฉาเฉาเหี่ยวเหี่ยวเราก็รู้ทันน ะ, ะจิตใจที่รู้สภาวะเนี่ยมันจะต้องสดชื่นเบิกบานแจ่มใสนะ ถ้าใจเราบอกเห็นสภาวะใจใจเราซึมซึมเสื่องเสื่องอเนี้ยแสดงว่ายังไม่ถูกทีเดียวใจต้องรู้ต้องตื่นต้องเบิกบานแต่ว่าบางครั้งมันรู้สึกมันใจมันแห้งแห้งมันหนีโลกเอานั่นแหละใจมันหนีนะมันยังไม่ได้รู้จริงใจมันยังเหี่ยวแห้งอยู่อย่างนี้ต้องเพิ่มอะไรบ้างนะคะก็ก็เร่าความรู้สึกให้มันสดชื่นหน่อยเรียกบิ้วหน่อยบิ้วหน่อยเริ่มต้นนะเชียร์มันหน่อย เออให้มันมีเรียวมีแรงขึ้นมาเพราะฉั้นจะดูมันอย่างเงี้ยเหรอเห็นใจรักเห็นอย่างเนี้ยไม่ไหวหรอกนะสู้นะแต่บางครั้งมันรู้สึกท้อแล้วแบบมันไม่อยากต่อคะ่ะเอ้อท้อไม่เป็นไรท้อก็มีเลิกใครก็ฝึกภาวนาเขาก็ท้อกันทุกคนหละแต่ท้อแล้วไม่เลิกท้อรู้ว่าทอ้อ ใจป้าแแปะรับความรู้สึกขึ้นมาคืดสู้คืดสู้พระพุทธเจ้ากว่าจะบรรลุท่านลำบากตั้งหกปีอดข้าวอดน้ํำเราเคยภาวนาอดข้าวไหมไม่ <c oughs> เคยเคยภาวนาอดนอนไห ม, <c oughs> ไมสู้ท่านไม่ได้สักอย่างเลยเห็นไหมโอ้ท่านทํท่าเต็มที่ท่านยังใช้เวลาหปีเราก็ทํามั่งเลยแล้วก็ช่วงนี้ยมันมันขี้เกียจมันไม่ได้ทําในรูปแบบแต่ว่ามันรู้สึกผิดมันก็เลยไปทําก่อนนอนแล้วก็พอทําก่อนนอนมันจะรู้สึกว่า ทั้งคืนมันไม่ได้นอนนะคะนั่นแหละมันเอาใหม่ไปนอนให้เต็มที่ก่อนก่อนนอนอะกินน้ําให้มากๆแล้วตื่นมาฉี่แล้วก็ามาภาวนาวแบบเนี้ยใจห่อเหี่ยวนะไม่ได้ภาวนาวมันไหลวันละแต่กิลตี้เอาซะหน่อยมันจะไปสู้กิเลสได้ยังไงนะต้องสู้นะธรร ม, มาะไม่ใช่ของคนอ่อนแอน ะ, ะต้องสู้เอา นมมสการค่ะหลวงพ่อโยมมีคำถามสักสามข้อนะคะเอแม้แต่คนละหลายหลายข้ออ่ะว่ามาโยมปฏิบัติในรูปแบบแล้วก็มีมีความรู้สึกว่าเพลงก็เลยหยุดขันไปฟังเพลงคลาสสิก บางคนหลวงพ่อเคยสอนให้ฟังเพลงคลาสสิกน ะ, ะเขาใกล้จะบ้าแล้วหลวงพ่หลวงพ่อก็เลยถามแล้วชอบทําอะไรบ้าบอกชอบฟังเพลงคลาสสิกบอกไปฟังเพลงคลาสสิกให้สบายใจก่อนของเราถ้าภาวนาแล้วอึด อ, อ, อ, อัดเหรออฟังอย่าฟังเยอะนะนิดเดียวเดี๋ยวมันลุกขึ้นเต้นบัลเล่มจะไปกันใหญ่เราก็ต่อด้วยมารุกาย อ, อันนัปัจจุบันนะคะออตอนแรก ก็ลบมากจะเอาทุกขนาดหลังมารู้ว่าทุกขนาดมันเยอะไปมันเครียดมากไปมากไปไม่ได้หรอกก็เลยหันมาเป็นบางขนาอจากนั้นก็มีความรู้สึกว่าไปฟังเชดีของหลวงพ่อบทที่สามที่มียีิบสองตอนนะค ะ, ะแล้วก็มีความทุกข์ทางกายเยอะมากอืมแต่มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็หายอะไรนะความทุกข์ ความโกรธพอจะรู้ว่าโกรธมาเหอะเดี๋ยวมันก็หายเออพราะไม่เที่ยงอันนี้โยมคิดเองหรือเปล่านะคะจะมันซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะออยังคิดอยู่นะมันเป็นนันยงเจือด้วยการคิดนําพอเราคิดอย่างนี้เราก็สบายใจออแต่สําหรับโยมนะอนุญาตนะค่ะคิดไว้ก่อนดีกว่ากลุ้มใจนะาาเพราะงั้นถ้าใจเป็นเครียดนะทำยังไงให้มันสบายไว้ก่อนะนะพอมันผ่อนคลายแล้วก็ค่อยรู้สึกเอา จะคิดก่อนก็ได้นะร่างกายนี้นะเมื่อก่อนอยังเด็กๆวิ่งได้เดี๋ยวนี้สาวแล้วไม่เหมือนแต่เด็กอะไรเงี้ยก็คิดพิจารณาไปนะให้ใจมันวนเวียนอยู่อย่างนี้นะ ม, มันมันยังดูสภาวะต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันยังดูได้ไม่ชัดเพราะว่าโยมเนี่ยเป็นคนช่างคิดมากนะคนที่ช่างคิดมากมากๆเลยเนี่ยมันดูสภาวะลำบากเพราะเราทาใจสบายก่อน พอใจเราสบายเราก็รู้สึกเออตอนนี้สบายใจโยมอยไม่ต้องภาวนาเยอะโยมดูจิตอยู่สามชนิดพอจิตตอนนี้สบายใจรู้ว่าสบายใจจิตตอนนี้ไม่สบายใจอึดอัดแล้วครุ่มใจแล้วรู้ว่าคลุ่มใจรู้ว่าเครียดแล้วจิตตอนนี้เฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์อะไรนะวันวันหนึ่งดูสามอย่างนี้พอไป<า>ฟังเพลงคลาสสิกแล้วใจโล่งสบายรู้ว่าใจโลง่ง คิดถึงการปฏิบัติเล้าใจแน่นรู้ว่าใจแน่นดูใจสุขใจทุกข์ดูเท่านี้พอแล้วทั้งวันไม่ต้องดูเยอะกว่านี้อ๋ออย่างนั้นก็เหลือแค่สองข้อก็เหลืออีกข้อหนึ่งนะคะในขณะที่โยมฟังซีดีหลวงพ่อนะคะโยมก็มีความรู้สึกกายด้วยว่านาปัจจุบันทำอะไรอยู่อย่าจงใจมากน ะ, ะนะถ้าจงใจรู้มากไปมันจะตึงเครียดไป เพราะฉนั้นโยมไม่ต้องทํากรรมฐานมากถ้าโยมทํากรรมฐานมากโยมจะเครียดเพราะเราทํากรรมฐานน้อยๆเอาแค่ว่าตอนนี้ใจเราเป็นสุขเรารู้ตอนนี้ใจเราเป็นทุกข์เรารู้ตอนนี้ใจเฉยๆเรารู้เอาแค่นี้นะแล้วจะดีะต่อไป กราบบุญสักการหลวงพ่อค่ะเป็นครั้งแรกที่โยมมาที่นี่ค่ะแต่โยมได้ติดตามฟังซีดีของพระอาจารย์มาตลอดเวลา<ม>แล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติตามที่หลวงพ่อได้แนะนำนะคะ<ม>เช่นการดูกายและดูจิต<ม>โยมก็มองเห็นว่าจิตของโยมบางครั้งเราก็พบความสุข<ม>แล้วเมเจอความทุกข์ความสุขแล้มันก็ดับไปอะเจ้ค่ะคันนี้โยมก็คิดว่าอีกนานแค่ไหนโยมถึงจะมองเห็นเบื่อหน่าย ความเบื่อหน่ายเรียกว่าทิพย์พยาญาณนะเขาเป็นเองนะนะเขาเป็นเองเป็นเอ ง, เเองชินแล้วครูบาอาจารย์เคยสอนหลวงพ่อนะว่าให้ภาวนาไปเรื่อยๆเหมือนเรากินข้าว <Okay. S 2> นะเราไม่ต้องรีบว่าเมื่อไหร่จะอิ่มถึงเวลาก็อิ่มหรือการภาวนาเนี่ยเหมือนการตั้งครันนะใครเคยมีลูกบ้างตั้งคันอยากให้ลูกคลอดเร็วๆได้ไหมไม่ดีหรอกให้มันคลอดใช้เวลานะ <Okay. S 2> การภาวนานี้ใช้เวลา ของโยมแล้วก็ทําก็ดีแล้วล่ะใช้เวลานะอย่าอยากให้มันคลอดเร็วเกินโยมขอกันบ้านเจ้าค่ะเพื่อจะได้ทาให้สม่ําเสมอนะไปที่ทําอยู่น่ะดีแล้วล่ะขันมันก็แยกยังเห็นไ้มกายก็จิตมันโคลน่นโยมพยายามอยู่เจ้าค่ะนั่นแหละฝึกแยกไปเจ้าค่ะกลาบนมัสคการค่ะหลวงพ่อส่งกันบ้านในรอบหลายเดือนค่ะปัจจุบันนี้ก็มีสติอัตโนมัติเกิดขึ้นบ้าง แต่เวลาเกิดปุ๊บเนี่ยจิตจะหันไปสนใจ<ม>ทันทีอะ<ม>ค่ะแรกๆจะมารู้ลมหลังๆก็รู้กายด้วย ม, มันมันเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าตัวเองยังพอเกิดปุ๊บเรารู้ว่ามันเกิดมันก็ไปไปไปไม่รู้ว่าไปเพ่งมันหลังจากนั้นหรือเปล่าแต่มันยังบาดูไง่ายๆนะว่าเพ่งหรือไม่เพ่งใจมันแน่นไหม ไม่ไม่ค่อยเท่าไรค่ะแต่แต่รู้ว่า<ส>หันไปสนใจมากสนใจรู้ทันว่าจิตกำลังสนใจรู้ทันจิตไป ค, ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วปัจจุบันทํางานค่อนข้างเครียดสูงนะคะออบางครั้งไปสนใจการของจิตบางครั้งมันเหมือนเย็นวาบตรงกลางอกซบอยอะค่ะไม่เป็นไรให้มันเย็นไปมีความสุขดีจิตมีสมาธิขึ้นมาบางทีก็เย็นนะสบาย แต่ตอนนี้มีติดตรงที่ว่าอยากขอคําแนะนำเกี่ยวกับความเครียดเพราะว่าถึงจะพยายามภาวนาแต่พอเจอลุมไปอย่อยอย่าไปเกลียดความเครียดสิความเครียดเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งห้ามไม่ได้ไม่อย่ไปเกลียดมันยิ่งเกลียดมันยิ่งเครียดมากอย่างเราไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราไม่ชอบอะไรเงี้ยใจเราปฏิเสธมันก็เครียดแต่ถ้าใจเราเป็นกลางความเครียดจะค่อยๆลดลง แต่ถ้ามันเครียดมากๆก็ปลอบมันบ้างท่องคาถาไว้ว่าทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยไม่นานมันก็ผ่านไปทำใจให้สบายๆนะห้ามมันไม่ได้หรอกความเครียดความทุกข์บางคนนะอยู่ที่ทำงานเราเครียดพวกนี้ยังพอค่อยยังชั่วบางคนอยู่บ้านเราเครียดเห็นหน้าคนในบ้านเราเครียดตลอดเลยทุกตลอดเลยไม่รู้จะหนีไปไหนเนี่ยต้องมาฝึกฝนจิตใจของเราให้เป็นกลาง ทุกวันนี้หนูยังเหมือนกับแยกแยกขันหรือว่าเห็นเห็นร่างกายแยกออกมาเนี่ยมันแต่ว่ามันเหมือนแยกมาแบบแกนแกนนะคะเจ้าค่ ะ, ะไม่ไมเป็นไรมันเริ่มแยกแล้วล่ะหลวงพ่อแนะนำอะไรสักนิดสิคะก็ดูที่ใจเราไม่เป็นกลางใจเรามีโทสะเจืออยู่เนืองๆมีความไม่ชื่นใจไม่แช่มชื่นนะให้เรารู้ทันไป เราดูกายนี้เหมือนดูคนอื่นดูใจนี้เหมือนดูคนอื่นช่วยมันดูไปบางทีถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ช่วยมันพิจารณาว่าชีวิตนี้เหมือนความฝันเหมือนเรากำลังฝันร้ายอยู่ถึงเวลาหนึ่งมันต้องตื่นจนได้แหละไม่มีความทุกข์ที่ไม่ผ่านไปนะในโลกนี้ความทุกข์ก็เหมือนกับความสุขนะนะั่นแหละมาได้ก็ไปได้เพียงแต่ความทุกข์เกิดขึ้นเนเราอยากให้มันไปเร็วๆเราก็เลยทุกข์ทรมานมาก ได้ฝึกไปเรื่อยนะสอนมันบ้างอะไรบ้างให้กำลังใจมันบ้าง <c oughs> หรือไม่ดูคนอื่นบ้างคนอื่นทุกกว่าเรามีเยอะแยะเลยคนที่มีความทุกข์มากกว่าเรานะเยอะแยะเลยเงิ้นบางคนมีรู้สึกชีวิตนี้แย่มากเลยชีวิตเร็วซามมากท้อแท้ใจลองไปหันไปดูคนอื่นบ้างเราจะพบว่าเขาทุกข์มากกว่าเราต้องเยอะแยะเลย <c oughs> ถ้าเราเห็นอย่างนั้นเราจะมีกำลังใจนะมีมกำลังใจสู้ต่อ มาดูกายมาดูใจของเราไปเรื่อยเอาความทุกข์มาเป็นทรัพยากรของการปฏิบัติเรื่องอะไรเราจะต้องจมอยู่ในความทุกข์ตลอดไปเราพยายามรู้สึกกายรู้สึกใจดูให้มากวันนึงเราก็ต้องผ่านมันจนได้เลต้องทนเอากราบนรมัสการหลวงพ่อคะ่ะไม่ได้ส่งการบ้านน้าแล้วะคะ่ะคือตามรู้กายรู้ใจทุกวันนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเห็นว่า ถ้าเราไปหยิบฉวยสิ่งคือไปยึดมั่นติดมั่นมันเราก็จะเป็นทุกข์นะคะช่องนี้รู้สึกว่ามันจิตมันมันปล่อยวางไปได้เยอะเลยอะคะ่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันมันห่างออกไปอ ะ, ค, ะค่ ะ, คะก็ ด, ดีแล้วละ่ะอยากรบกวนหลวงพ่อคะเรียนถามว่าออกนอกรูปนอกทางบ้างห ร, รนะหรือเปล่าอะไรนะถามอะไรนะยังยังอยู่ในกรอบธรรมไอรรู้อยู่สิถ้าภาวนาอยู่ก็อยู่ในกรอบแหละ แต่หากดูกิเลสไปเรื่อยนะกิเลสมันหลายชั้นหลายเชิงซับซ้อนค่อยๆเรียนรู้มันไปตอนนี้มีกูเก่งบ้างยังก็มีแทรกเข้ามาบ้างนะค่อยดูนะมันจะถึงเวลามันจะทํางานบ้างแล้วล่ะค่ะขอบคุณค่ะกรธรรมัสกดิหลวงพ่อครับผมฟังซ <an> ีดีหลวงพ่อมาได้ประมาณเดือนหนึ่งครับก็สิ่งที่หลวงพ่อพูดโดยบ่อยก็คือว่าดูจิตได้ให้ดูจิต ดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูกายไม่ได้ให้ทำสมถะทีนี้ผมก็เลยปฏิบัติตามอย่างเข่งคัดครับตอนแรกก็ดูกายก่อนครับรู้สึกว่ามีสติอยู่กับกายตลอดเวลาดีมากครับปรากฏว่าฟังไปอีกสักพักครับหลวงพ่อบอกว่าการดูกายเหมาะสำหรับสมถะยานิกผมก็เลยเลิกเลยครับก็เลยหลวงพ่อบอกว่าให้ใจถึงถึงนะให้ปล่อยเลยผมก็เลยปล่อยเลยครับก็เลยคราวนี้ ก็ให้สติมันเกิดบ่อยๆแทนนะครับให้อะไรนะให้สติมันเกิดบ่อยๆนะครับหลวงพ่อบอกว่าให้เกิดบ่อยๆคือกายเราไม่ทิงนะกายยังไงก็ต้องรู้เพราะมันมีกายนะแต่ว่าถ้าจิตมันเด่นเราเห็นจิตมันทํางานได้ดีเราก็ดูมันไปแต่ว่าไม่ใช่ไม่รู้สึกกายนะจิตนั้นมันเปลี่ยนไปก็เพราะกายนะอย่างตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยก็คือกายตามองเห็นรูปจิตก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงจิตก็เปลี่ยนเพราะง่ายกับจิตเนี่ยมันเนื่องกัน แต่ว่าถ้าเราเห็นการทํางานของจิตได้กุศลเกิดที่จิตอกุศลเกิดที่จิตเรารู้ทันไปมันพัฒนาได้เร็วหน่อยครับครูบาอาจารย์สอนบอกดูกายก็เพื่อให้เห็นจิตนะดูจิตเพื่อให้รู้แจ้ง ถ, ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีฌานแล้วไปดูกายเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าเป็นการเพ่งไปหรือเปล่าครับของคุณไม่เป็นของคุณสมาธิมันมีโดยธรรมชาติครั บ, รบแล้วมัพอดูได้มันรู้สึกไหมกายกับใจมันคนละอันกัน ไม่ตัวนิสัยหน้าไม่เห็นอะไรเลยครับถ้าไม่เห็นดูจิตไปครับดูจิตผมก็แค่รู้สึกตัวว่าเผลอแค่เนี้ยครับแค่นั้นพอละไม่ต้องไปบอกคือผมไม่เห็นใจรักเลยครับไม่ต้องบอกใจรักไม่ได้เอาไว้คิดเอาไม่ไม่ต้องภาคจิตมันใช่ไหมครับฮะไม่ไม่ต้องภาคไม่ต้องไม่ต้องครับจิตเขารู้ของเขาเองถ้าภาคอยู่ไม่ใช่ของจริงครับคือหลังจากผมฟังสี่หลวงพ่อแล้วก็นั่งสมาธิได้นานขึ้นมากเลยครับอืม แต่ว่าสมาธิสั้นเหมือนเดิมครับผมสมาธิสมาธิ ม, า ม, ามีนะไม่ใช่ไม่มี <ừ> เพราะงั้นถ้าจะดูกายด้วยเนี่ยดู ง, ง่ายๆเลยเห็นร่างกายไปยักหน้าใจไปคนดูเนี่ยดูไปอย่างนี้เห็นร่างกายยิ้มใจเป็นคนดูเห็นร่างกายเดินใจเป็นคนดูมันดูได้อยู่แล้วละ่ะครับไม่ใช่ดูไม่ได้หรอกปฏิบัติตามอย่างนี้ต่อไปใช่วยไหมครับผมใช่แล้วกิเลสอะไรเกิดที่จิตก็ค่อยรู้อย่าไปจ้องอยู่ที่จิตนะ ร, ร, ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไปแล้วพอมีอะไรแปลกปลอมเข้าที่จิตเราค่อยรู้เอา ถ้าเราไปจ้องเฝ้าอยู่ที่จิตมันกลายเป็นเพ่งจิตขอบคุณครับ